ดูก่อนเจ้าเปรสกานารีเจ้าจงกลับไปกราบทูลสมเด็จพระอิสราทิปดีเจ้าผู้เป็นใหญ่ในกบิลพั์เดิดว่าพิมพานี้ขอถวายอภิวันให้ทราบเหตุคือตั้งแต่วันสมเด็จพระลูกเจ้าสเสด็จหนีออกบรรพชาพิมพายิงการกินีนี้ก็มีแต่โศกาดูนเดือดร้อนเร่ารุมสุมในสวงเสมอเหมือนมีภูเขาหลวงเข้ามาทุ่มทับทุกวันวันคงเป็นเพราะ โบราณกรรมอันตนกระทำไว้มีกำลังกล้าพิมพาปรงใจเสียเช่นนี้ก็ไม่ได้มีความขัดหารืไทยต่อผู้ใดสู้อดกลั้นหักห้ามจิตมิให้คิดถึงความละอายว่าเป็นไม้จึงอุตสาดำรงชนยืนานานมาจนป่านชนี้บรรดาพระปรยุนญาติที่กรุงเทวทหบุรีได้สะดับข่าวที่พิมพาชอกช้ำระกำรรใจก็ให้พลอยเศร้าสลดซบเารไปด้วยโศกาพิมประหนึ่งว่า จะพากันจมลงในกลางมหาสมุทรกล่าวคือความโศกอันเกิดจากพิมพาได้เสมอยวิปโยคทุกขเวทนาไร้ร้างบำราพัสดาก็แลกครานี้สมเด็จพระลูกเจ้าผู้พัสดาสเสด็จมาถึงกรุงกระบลพัฒน์ได้ถึงสามวันกับทั้งวันนี้คงจะเป็นเพราะพิมพาเป็นหญิงการกินีไม่สางสาจึงไม่ได้ทรงกรุณาปราณีสเสด็จลีลาชมาสู่นิวารสถานของพิมพา เสด็จออกจากพาราไปเสียทุกวันแม้นว่าการละวันนี้พระองค์มิได้ทรงมีพระกมลนหมายมั่นเอื้อเฟื้อในพิมพาเสด็จออกจากพาราไปในขณะใดชีวิตของพิมพาก็จะบำราดจากสรีระกายไปในขณะนั้นแต่รักษาชีวันรอท่าพระราชสวามีมาก็ช้านานเห็นจักราศูนย์สังขารสุดสิ้นเป็นแม่นมั่นในวันนี้หากว่ากุศลแห่งพิมพายัางรักษาบำรุงอยู่ ก็คงจะบันดาลให้สมเด็จพระลูกเจ้าผู้พัสดาสเสด็จมหาพิมพพาอันจะเป็นเหตุให้มีชนมายุยืนยาวสืบไปแม้นว่าพระลูกเจ้าไม่ได้ทรงพระกรุณาสเสด็จมาจะให้พิมพาไปหาเองนั้นย่อมเป็นการไม่สมควรและพิมพาก็จะถวายบังคมลาในวันนี้จะกระทําให้สิ้นสุดโสกีที่ทนทุกข์ทเวศมานานวันนี้ให้ทุกนั้นประวัตนาการทรมานฮฤทัยสืบไปเบื้องหน้า ขอเปศกานารีเจ้าจงไปกราบทูลพระกรุณาตามถ้อยคําพิมพ์พารำพันสั่งดังนี้เถิดนางเปศกานารีได้สดับคํารำพันเช่นนี้ก็ให้แสนสุดที่จะสงสารรีบอัญเชลีลาไปกราบทูลตามคําพระราชสูนิสานั้นทุกประการในที่เฉพาะพระพักสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ซึ่งเสด็จอยู่ณที่นั้นเป็นมหาสารนิบาตมากมาย ทั้งพระอริยสงฆ์และอํามสาธราชบริพารทั้งหลายเมื่อได้ทรงเสวนาการข่าวสารแห่งพระพิมพาราชเทวีสีสะพ้ยยอดสงสารสมเด็จจอมนาราพิบาลบรมกษัตริย์ก็ทรงมีพระราชดำริจะให้สมเด็จพระสัพพันญูผู้ประวัตใดได้ทรงทราบถึงความเป็นไปแห่งเจ้าพิมพาราขณะที่พระองค์เสด็จออกบรรพชาเพื่อสแสวงหาโมกะธรรมจึงกราบทูลด้วยพระวาจาพรรณนาถึงคุณเจ้าพิมพาราเทวีเป็นอันมาก แล้วในที่สุดก็กราบทูลขึ้นอีกว่าข้าแต่พระสัพพัญญูผู้มีเพียรพยายามชำนะแก่สงครามและกอบด้วยพระมหากรุณาขออารัธนาเสด็จพระพุทธลีลาสู่นิวตรสถานแห่งเจ้าพิมพาราชเทวีในการระบตดนี้เถิดพระเจ้าค่าแม้นว่าพระจินสีเจ้าไม่ทรงอาศัยพระมหากรุณาเสด็จไปสู่นิเวศของเจ้าพิมพาด้วยพระองค์เองแล้วไซก็หน้าที่เจ้าจะเสียใจโศกาดุลเดือดร้อน ด้วยความรักเป็นกำลังคับข้างอยู่ในกมลสันดานเห็นเที่ยงที่จะดับศูนย์สิ้นสังขารภายในสิริสายญาตินั้นเป็นมั่นคงภิกเจ้าพิมพาปลดปลงชจีวาดแล้วเห็นว่าพระหลานแก้วราหุลกูมานก็จะทำลายล้างจีวาดไปตามพระชนนีเมื่อเป็นเช่นนี้อันว่าประเวณีที่จะสืบขัตติยะวงก็จะพินาศบ่มีอาจวัฒนาถาวรสืบไปอันหนึ่งในการกอนแต่เสด็จออกบรรพชา เจ้าพิมพากับพระองค์ก็เคยสนิทเสนหาจะได้เคลื่อนคลาดทุลีพระบาทบทธมานแม้แต่สักเพลาหนึ่งก็หาไม่ได้ดังนั้นในการระบัดนี้จึงใคร่ที่จะขอรับพระราชทานชีวาเจ้าพิมพ์พาไว้อย่าให้ถึงชีวิตอันตรายในครั้งนี้เลยพระเจ้าค่าสมเด็จพระบรมโลกุุตามาจาร์เมื่อได้ทรงสดับอาราธนาคาถาแห่งพระพุทธบิดากราบทูลเชนนี้ จึงทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่าดูก่อนมหาบาพิษพระราชสมภารอันคำอาราธนาที่พระองค์ดำรสนี้เป็นการชอบสมควรยิ่งนักผิวันนี้ตถาคตไม่ได้ไปเยี่ยมเยือนถึงนิเวศน ส, สถานแล้วไซก็นหน้าที่เจ้าพิมพาจะมีดวงหารุไทยพินธนาการเป็นแม่นมั่นและเจ้าพิมพาราหุนมารานี้เป็นผู้ที่มีคุณแก่ตถาคตเป็นอันมากมาแต่อดีตการ ประมาณกว่าแสนชาติในชาตินั้นๆเมื่อตถาคตบำเพ็ญบารมีทานมีบุตรทานเป็นต้นในชาติใดเจ้าพิมพาก็เต็มใจ ย, ยินยอมพร้อมร่วมศรัทธานในมหาบริจากด้วยดีจะได้มีจิตคิดขัดแย้งกำเริบพิโรธและไม่ได้เกิดความปราโมทยินดีด้วยแม้แต่สักครั้งก็หาไม่ได้ตั้งแต่บำเพ็ญพระบรมโพธิญาณบารมีมา คุณความดีของพิมพาเจ้าก็ล้ำเลิศประเสริฐโดยยิ่งจะหาสิ่งใดที่จะเปรียบปานนั้นไม่ได้จนตราบเท่าชาตินี้ที่ถึงปรมาพิเศษสมัยได้สำเร็จแก่พระสันเพชพโพธิยานเห็นปานชนีจะหาสตรีใดดุดพิมพาซึ่งมีกมลเจตนาช่วยบำรุงพระกิตดาพินิหารให้ได้บรรลุพระสัพพัญยุตยา น, นั้นไม่ได้มีเลยพิทัศาาคตจากเมินเฉยไม่กระทา ปจูปการสนองคุณความดีของเจ้าในครั้งนี้เจ้าพิมพาราชเทวีก็จะคลาดจากประโยชน์ยิ่งใหญ่ไปอย่างน่าเสียดายนักเมื่อสมเด็จพระพุทธบิดาได้สวราการพระพุทธบัญหารเช่นนั้นก็ทรงชื่นชมสมนัตเหลือประมาณกราบทูลอารัตนาสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ขึ้นอีกว่าข้าแต่พระนันตยา น, นมุนีการละบัตินี้สมควรแล้วที่องค์พระปทีบแกว จะเสด็จพระพุทธลีลาดสู่ปรางปาศ์แห่งเจ้าพิมพาขออาราธนาเสด็จเถิดพระเจ้าค่ากาละครั้งนั้นสมเด็จพระบรมมัสดาจยา์อันกตันยูกตะเวทีเข้าตักเตือนพระหฤทยัยจึงขยื่อนพระวรากายอุท ธ, ธาการจากประวรบรรยัติตาอาจประธานบาททรงให้พระพุทธบิดาเสด็จบทจรตามไปโดยให้พระมหากีนาศพทั้งหลายยังคงรออยู่ในที่นั้น มีพระพุทธบัญชาให้ตามเสด็จแต่เพียงคู่อักษรสาวกทั้งสองคือพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรและพระมหาโมคขลาทำหน้าที่เป็นปัจชาสมสนะแล้วเสด็จพระพุทธดำเนินไปสู่ปราสาทแห่งพระพิมพาราชเทวีพลางมีพระพุทธดีกาตรัสแกสองอักษรสาวกว่าดูก่อนสารีบุตรและโมกคลาเจ้าพิมพาราหุนมารดานี้ เป็นสตรีมีคุณแก่ตถาคตเป็นอันมากในการระบัดนี้ผีนางจะจับบาตทตถาคตรูปคลำสัมผัสและโศกาดูนพิราบด้วยกําลังเสน่หาเธอทั้งสองจงอย่าได้ห้ามปรามจงปล่อยให้นางทำไปตามอัธยาศัยให้นางพิไรรำพันบริเวทธนาการไปจนกว่าจะสิ้นโศกหากว่าจะห้ามนางในขณะนี้แล้วไซนางก็จะวางวายมวยมุดมรณาสัน ไม่ได้ทันเป็นสุพรรณภาชนะทองรองรับสดับพระธรรมเทศนาและตะถาคตนี้ก็ยังประกอบด้วยเป็นหนี้แห่งเจ้าพิมพ์พายังไม่ได้ปลดเปลื้องไปให้พน้นจะได้โอกาสเลือดลน้นทดแทนใช้หนี้แก่เจ้าพิมพ์พาก็แต่ในการละครั้งนี้อันหนึ่งตถาคตนี้ก็เป็นผู้มีราคะโทสะโมหะปราศจากกันท่าสันดานเป็นสมุดเฉตท่ประหารสิ้นศูญย์บุญรากเด็ดขาด มิอาจบังเกิดเจริญอีกสืบไปในเบื้องหน้าครุวนาดุดยอดตาลที่ถูกตัดขาดมิอาจวัฒนาการสืบไปจะได้วันไหวด้วยราคาที่กิเลนนั้นย่อมเป็นอันมิได้มีอีกดังนั้นหากเจ้าพิมพาราชเทวีที่มิได้พบเห็นตถาคตมานานเจ้าจกเข้ามาลูกคราสัมผัส ด, ด้วยความสเสน่หาตามประษาสตรีขอเธอทั้งสองจงอย่าห้ามปรามในครั้งนี้เลยตรัสบอก แก่คู่อักระสาวกผู้ทำหน้าที่เป็นปัจชาส ม, มณะชนี้แล้วองค์สมเด็จพระประทีบแก้วสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เปล่งพระพุทธรังศีให้โอโภพาดเพียงดังพานุมาตรสักแสนดวงที่บังเกิดปรากฏเหนือยอดเขาไกรลาดปันพฤษมหาหิมวันตะคีรีทองแถวพระสมีบีทั้งหกก็ภายโรดโชตนาการส่องสว่างเข้าไปภายในปราสาทสิริสายญาตแห่งพระนางพิมพาราชเทวี มีประมาณเท่าลำต้นตาลพุ่งเข้าไปโดยช่องแห่งสีหบัญชรทวารการจนะปราศาทตรโอภาสไปทั่วบริเวณพระราชมนเทียนทั้งสิ้นเพื่อจะให้บังเกิดความเลื่อมใสโสมนัสแก่พระนางพิมพาแล้วก็เสด็จพระพุทธลีลาเข้าไปด้วยพระพุทธสิริวิราชอันงามสุดที่จะหาอะไรมาเปรียบได้สถิตบนรัตนบัลลังก์อาจมนทนดุดดวงทินกรสถิตเหนือยอดยุคนทรสิคริน ฝ่ายว่าอนเนกนางสนมทั้งสิ้นได้ทอดทัศนาเห็นสมเด็จพระสัพพันย์อยู่พร้อมกับคู่อัครส า, าวกสเสด็จเข้าสู่พระมนเทียนสถานทรงนิสัชนาการเหนือรัตนบันลลังก์อาจด้วยพระพุทธลีลาอันงามสุดประมาณเช่นนั้นต่างก็พากันเข้าไปทูลพระพิมพาราชเทวีซึ่งกำลังทรงพระโศกีมองไม่ด้วยหาไททุกว่าข้าแต่พระแม่เจ้าบัดนี้ สมเด็จพระปิ่นเกล้ากษัตริย์พัสดาสเสด็จมาสถิตบนรัตนบันลลังก์อาจดังแต่การก่อนแล้วนะพระแม่เจ้าเมื่อสมเด็จพระนางพิมพาราชเทวีได้ทรงสดับนางสนมพากันมาทูลความชนี้ก็ให้ดีพระหฤทยัยค่อยเคลื่อนคลยระบายพระอัศสาสะปัดสาสะอันร้อนผ่อนยาวออกได้จึงอุท a าการลุกขึ้นจับพลันดันใดพระกนจูงหัดพระราหุลบวรดานาัน ไม่ได้ทันทรงประดับสัพาพรรีบด่วนบททจรมาสถิตยังธรณีพระทวาลปรารถนาจะทอดทัศนาการพระบรมราชามีพระอัสุชนวารีก็ให้มีอันหลั่งไหลนองพนายนากว่าร้อยพันหาาิพอเหลือบเห็นองค์พระมุนีนาฏน้ำพระอัสุชนนัยก็ไหลหลั่งดังกระแสสายสินนาทีทานทำให้พระนางมิอาจจะได้ทอดทัศนาการสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ โดยสะดวกเป็นปกติสุขได้จึงตรัสพิไรรำพันเพะต่อน้ำพระเนตรว่าอนิจจาน้ำตาเอย๋ยก็ไยเลยเจ้าช่างไม่เวทนาต่อพิมพาพาช่างไม่มีความเมตตาปราณีต่อพิมพานี้บ้างเลยหรือไรจะขอโอกาสเจ้าแต่พอเพ่งพักพระราชสามีให้เต็มเนตรก็มีใครจะได้แกล้งไหลหลังพร่่งไปไม่หยุดยั้งกำบังเสียซึ่งทัศนวิสัย มิให้ได้เชยชมพระอุดมรูปสิริวิราชถนัดตาและพิมพานี้ก็ให้โอกาสแก่เจ้าให้ไหลออกมาสิ้นกาลัิชานานคณะนาได้ถึงเจ็ดปดปีเศษยังไม่พอแก่โสกาดูนทเวศหรือประการใดนี่น้ำตาเจ้าจะก่อกรรมทาเวรแก่เรานี้ไปถึงไหนหนอฉจะไหนจึงไม่รู้จักพอเสียทีเล่าฝ้าหลังไหลมิรู้ขาดสายวางวายชนี้แล้วพิมพาจะได้มีโอกาส ได้ทอดทัศนาพระราชสามีที่จากไปนานได้อย่างไรขอน้ำตาเจ้าจงให้โอกาสแก่เราในการนี้สักหน่อยเป็นไรหนาสมเด็จพระนางเจ้ามีพระสวนีตัดพอบริภาสอสุชนทาราดังนี้แล้วก็ค่อยมีสติอดกลั้นเสียทึงความโศกค่อยคลานเข้าไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระกรกอดเอาข้อพระยุคลบาทศพพระเสียน ล, ลงถวายนามัสการ พลางทรงพระพิลาบ ก, กราบทูลด้วยเนื้อความว่าข้าแต่พระลูกเจ้าบรมราชาสวามีโทษของกระหม่อมฉันพิมพานี้คงจะมีมากถึงขั้นเป็นหญิงการกินีหรือไรสมเด็จพระลูกเจ้าบรมราชาสวามีจึงเสด็จหลีกนี้ออกไปบรรพชาปล่อยให้พิมพานี้ต้องอาดุลด้วยเสน่หาแต่การอย่างดรุณภาพพระองค์วิได้ตรัสบอกให้ทราบแ้งทรงสละข้าพระบาทไว้ไม่มีพระอาัย ดุดก้อนเขละในปลายพระชิวหาอันถมออกจากพระโอษมิได้โปรดปรานสเสดจบำราดร้างจากนิวาสนสถานในยามรัติการออกไปทรงบรรพชาเบื้องว่าข้าพระบาทพิมพานี้มีโทษหนักแล้วก็แล้วไปเถิดแต่พระลูกแก้วราหุลราชบวรดนานัยเพิ่งประสูติจากพระคันในวันนั้นยังไม่ได้รู้ผิดชอบประการใดนั่นจะมีโทษสิ่งไรไปด้วยเล่าพระผ่านเกล้า จึงแกล้งทอดทิ้งไว้ให้ร้างพระปิตุรงอันหนึ่งอันตัวพิมพาข่าพระบาทบงกฎนี้เหล่าเนมิตกาจารย์ผู้ชำนาญรอบรู้ดูลักษณะก็ได้ทำนายถ่ายทักไว้แต่ยังเยาวัาริกาว่าจะมีบุญญาที่การอภินิหารใหญ่ยิ่งสมควรเป็นมิ่งมเหสีอดุลักษัตรจกกักรพรรดราธิราชและคำทำนายถ่ายทักนั้นก็เคลื่อนคลาดเพี้ยนผิด กลับแปรพิปริตไปสิ้นใช้ไม่ได้อันที่จริงควรจักทำนายว่าพิมพานี้จะเป็นไม้ได้อับยศความชอกช้ำประกำใจแต่ยังสาวคราวมีลูกนั่นแลจึงจะถูกต้องเป็นที่สุดประการหนึ่งสักยะราชนารีมีศัก์ใหญ่ทรงพระนามว่ากีสาโคตมีได้เคยสดุดีสรรเสริญไว้ว่าสตรีใดได้พระลูกเจ้าเป็นพระราชสวามีสตรีนั้น นับว่ามีบุญกุศลมหาศาลดับเสียได้ซึ่งะไทัยทุกขเป็นสุขนิตยะนิรันต์คำสรรเสริญสะดุดีนั้นก็ให้มีอันเป็นวิปลาดคลาดเคลื่อนไปอีกด้วยว่าพิมพาฆ่าพระบาทนี้ได้พระลูกเจ้าเป็นพระราชสวามีบัดนี้ไม่เห็นจะมีสุขแต่อย่างใดกลับได้แต่ทุกขอาดุลทเวศบ่มีเว้นวายพระพิมพาเทวีเจ้าบรรยายปริเทวนากถาโดยไ ny ดังพรนานาชานี้ แล้วก็กลิ้งเกลือกพระอุตามาังขโมลีเหนือหลังพระบาทสมเด็จพระบรมศาสดาโศกาพิราบปรำพันอยู่นักหนาพระพิมพ์พาสำเร็จมรรคผลสมเด็จพระเจ้าสิริสุโทโธธนะจอมชนแห่งกบิลพัทบุรีทรงเห็นเป็นโอกาสดีเลิศประเสริฐแล้วจึงกราบทูลแถลงคุณสมบัติแห่งนางกรรษัตริย์สีสุนิสาแด่สมเด็จพระศพพันยูว่าข้าแต่พระบรมครูแห่งดิกรสัตว์โลก อันเจ้าพิมพาสีสุนิสาแห่งบิดานี้จำเดิมแต่วิปโยคพัดพรากจากพระองค์ตั้งแต่วันที่เสด็จออกเพื่อทรงวันระชากระทําทุกขระกิริยาแสวงหาวิมุตติธรรมเจ้าจะนั่งนอนเดินยืนอยู่ในที่ใดๆก็ไม่มีอารมณ์เป็นสุขมีแต่ทุกเศร้าโศกทุกเวลาเช้าเย็นและราตรีมิได้ขาดยามเมื่อเข้าห้องสิริสายญาตเห็นสเสวตฉัรอันกลางกั้นรัตนบัลลังก์ ก็ตั้งหน้าแต่ร้องร่ำคำสดโศกถึงพระองค์มิเว้นวายเมื่อได้สดับข่าวว่าทรงนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดก็ปฏิบัตินุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดบ้างทั้งเมื่อแจ้งว่าทรงเว้นจากสุคันทะวิเลปณะมาลาก็มิได้ไลูกไลรกายาด้วยจุนัสุคนมิได้ประดับตนทัดทรงบุปผาชาติเมื่อคติยะประยุลญาตทรงข่าวสารมาว่าจะรับไปบำรุงเลี้ยงรักษาปฏิบัติ ก็ไม่ได้เล็งแลดูหมู่กษัต ร, ริย์ราชวงศ์องค์ใดตั้งใจจงรักพักดีมีสัตว์ซื่อสเสน่หาเฉพาะพระองค์ดำรงหารืไทยสุดจริตจะได้คิดแปรปวนไปแต่ในสิ่งใดอื่นไม่ได้มีเป็นแท้และพิมพาศีสุนิสาแห่งบิดานี้เจ้าเป็นหญิงกอบด้วยคุณอดุลประเสริฐเลิศกว่าอนเนกนิกรกัญญาควรที่จะกล่าวพรรณนาอีกมากมายสุดประมาณเมื่อสมเด็จพระจินสีเจ้า ได้ทรงเสวนาการคุณแห่งเจ้าพิมพาอันพระพุทธบิดาพรนานามาชนิจึงทรงมีพระพุทธดีกาดำรัสว่าดูก่อนมหาบาพิษพระราชสมภารการที่ว่าเจ้าพิมพาราชเทวีมีจิตสนิทเสนหาสวามิพักในตถาคตซึ่งปรากฏมีในการระบัดนี้นั้นมีสู้จะอัศจรรในอดีตการเมื่อบังเกิดในกาเนิดแห่งสัตว์เดราชานเจ้าพิมพานี้ ก็มีจิตสุดจริตเสน่หาในตถาคตมั่นคงบ่ไม่ได้กมปนาตประหนึ่งสิเนรุราชบันพศปรากฏในสกลโล ก, กธาตุบริจาคชีวิตให้เป็นทานแกตถาคตเป็นมหาสัจรสมเด็จพระบรมศาสดาสัพพันดูเจ้าดำรัสดังนี้แล้วก็ทรงมีพระมหากรุณาเผยพระโอษฐโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาจันทกินนรีชาดกโดยพิสดารเพื่อประหารเสียซึ่งโศกาดุลทเวศ แห่งพระพิมพาราชเทวีให้ระ ง, งับด้วยสิโตโทกวารีคือมธุระธรรมกทถาส่วนว่าพระนางพิมพาราชกัญญาเจ้าฝ้าทอดทัศนาการพระพักมนทนแห่งสมเด็จพระทศพลพลางสดับอมฤตรสบทพระธรรมอันวิจิตไพระเลือกซึ้งเป็นนิรันดุดกระแสสายสินโคงคาที่หลังไหลมาไม่รู้ขาดแล้วพระนางก็ยังประสาทปีติให้บังเกิดในพระกบลสันดาน ด้วยจินตนาการว่าเคยได้สร้างบารมีมากับพระองค์แต่อดีตพบก็รำงับเสียซึ่งความโศกให้สงบด้วยปีติปราโมทในไม่ช้าพระนางก็สามารถยังวิปัสสนาญาณให้บังเกิดขึ้นในขันธสันดานโดยลำดับจนได้บรรลุพระโสดาปัติมัคคายานประหารเสียซึ่งกองกิเลสโทษสังโยชน์ทั้งสามคือสักกายทิฐิวิจิตกิจชาและศีลปฏ ะ, ะปรามาสให้อันตรธาน ปรดิษฐานอยู่ในพระโสดาปันติผลลยานสำเร็จเป็นพระโสดาบันในพระพุทธศาสนาแต่เวลานั้นสมเด็จพระสันเพชรพระกวัรตรมุนีนาฏครั้นทรงทราบอย่างแจ้งชัดว่าเจ้าพิมพาราชเทวีได้ดื่มอมตะธรรมสำเร็จเป็นพระอริยะบุคคลมีจิตไม่เจลาจนวันไหวในคุณแห่งพระศรีรัตนไตรแล้วองค์พระปทีบแก้วก็เสด็จพระพุทธลีลาพร้อมกับคู่พระอครสาวก คืนสู่พระนิโกรธารามเพื่อทรงบำเพ็ญพุทธกิจโปรดพระญาติศกากยะองค์ในกรุงกบิลพัท ต, ต, ต่อไปในขณะที่สมเด็จพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญพุทธกิจเป็นญาตตะจาริยาโปรดพระญาติอยู่นั้นการละวันหนึ่งจึงเจ้าพิมพาราชเทวีประดับตกแต่งองค์พระราหุนราชกุมารให้ทรงเครื่องปิลันธนาการแล้วส่งไปสู่สำนักสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยพระสา ว, ว น, นีว่า ดูก่อนพ่อราหุลบวรดานายัยหากพ่อต้องการเป็นใหญ่ในการภายหน้าพ่อจงเข้าไปหาพระมหาสัมณะผู้มีศักิ์ใหญ่ส่งไว้ซึ่งพระชวีวันอันรุ่งเรืองและพระสิริรูปงดงามตุ้ดเท้ามหาพรมซึ่งแวดน้อมด้วยพระอริยสงฆ์สองหมื่นเป็นบริวารพระมหาสมณะาศาสดาาจารย์พระองค์นั้นคือสมเด็จพระปิตุเรศของพ่อพระองค์ทรงมีพระสุวรรณนิธิเป็นอันมาก ตั้งแต่เสด็จออกจากพระนครไปบรนประชาแม่ไม่ได้ทัศนาการเห็นสุวรรณนิธิขุมทองนั้นอีกเลยพ่อจงรีบไปทูลขอขุมทองอันเป็นของพระราชทรัพย์สำหรับบุญแห่งพระบิดาจงทูลว่าถ้าข้าพระบาทได้ราชาพิเศษสวยมายสวริยสมบัติจะได้เป็นบรมจรดกพัฒตราธิราชข้าพระบาทมีความต้องการด้วยทรัพย์สำหรับกัติยะตระกูลวงศ์ ธรรมดาว่าสมบัติของพระปิตุรงก็คงเป็นสมบัติของโอรสตามโบราณราชาประเพณีสืบมาขอพระองค์งทรงพระกรุณาโปรดประทานสวรรณนิธินั้นด้วยเถิดดังนี้สมเด็จเจ้าฟ้าราหุลราชกุมารรับพระเสวนีแห่งพระมารดาแล้วก็เข้าไปเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดาถวายวันธนาการพลางเล็งแลดูองค์พระศพพันญูผู้ปิตุรงโดยเหตุที่องค์พระกุมาร เคยทรงสร้างพระษาวะกระบรมีญานมานานจนพระอระหัตคุณแก่กล้ารุ่งเรืองอยู่ในขันทสันดานดังนั้นจึงทรงมีพระไทยผูกพันบังเกิดความรักในพระบิดาทรงพระปราโมทสมณัติตัดตามพระษากุมารว่าสมณะฉายยานี้เป็นที่สถาพรสุขสํำราญอย่างยิ่งแล้วก็ตรัดสิ่งอื่นๆและทูลขอสวรรณนิติตามที่พระราชชนนีสอนไว้สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถ ทรงอวัฒนาการเห็นแจ้งประจักษ์เหตุทั้งหลายด้วยพระสัพพัญยุตยานแล้วจึงทรงมีพระพุทธจินตนาการว่าเจ้าราหุลราชจจโอรสปรารชนาทายาทรัพย์อันเป็นของเราตถาคตผู้บิดาการลบัตินี้หากว่าตถาคตจะให้สุวรรณนัทิธิหุมทองก็จะเป็นเหตุให้เจ้าราหุลต้องเวียนไหวไปในกระแสสังสารวัตรไม่มีวันสิ้นสุดได้ถ้ากระไรตถาคต ควรจักให้ทายัทพท์อันประเสริฐก่าวคืออริยทรัพย์ในพระศาสนาเถิดจึงจะเกิดประโยชน์สดที่ผลมหาศาลควรที่สถาคตจะทำเจ้าราหุลกุมารบวรนายนี้ให้สถิต ท, ที่ตำแหน่งใหญ่ได้เป็นเจ้าของโลกุตระทายาทสืบสกุลพระพุทธวงศ์ประเวณีย่อมจักเป็นการดีประเสริฐกว่าทายาทโลกยศสมบัติอันเป็นเครื่องติดขังอยู่ในสังสารวัตแล้วจึงตรัสเรียก พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรมาดำรัสสั่งให้จัดการบรรพชาเจ้าราหุลกุมาร น, นั้นให้สำเร็จเพศเป็นสัมมเนนทรงศีลสิกขาเสียแต่เวลานั้นการต่อมาก็ปรากฏว่าพระราหุลพุทธพปิโยรสนี้ท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ที่ทรงคุณวิเศษสำคัญรูปหนึ่งในบรวรพุทธศาสนาหลังจากทรงบำเพ็ญพุทธกิจโปรดพระประยุลญาตกรุงกบิลพัฒน์ ให้ได้บรรลุมรผลนิพพานอันเป็นธรรมวิเศษตามสมควรแกว่วาสนาบา ร, รมีแล้วสมเด็จพระประทีบแก้วก็เสด็จจาริกไปยังขามนิกคมจุนบทราชธานีน้อยใหญ่เพื่อแสดงพระสัตวธรรมเทศนาปรดเวนัยสัตว์ประกาศพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรในมนุษยโลกนี้จนมาถึงสาวัตถีมหานครสถิตอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารพร้อมกับพระอริยสงฆ์องค์บริวารทั้งหลาย ฝ่ายข้างกรุงกบิลพัทราชธานีการเมื่อสมเด็จพระนรุบดีสิริสุทโธธนะผู้พุทธบิดาได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์มหาขีนาสวะเจ้ากลับขันเข้าสู่ปรินิพพานอันเป็นนิสระวิมุตติไปทั้งที่ยังทรงเพศเป็นครือหัดแล้วและการเมื่อนางแก้วพระมหาปชาบดีสเสด็จออกบรรพชาเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาโดยพระบรมพุทธานุญาตแล้ว บรรดาอมารราตาชปุโรหิต า, าจารย์ประจำเมืองจึงประชุมปรึกษากันว่าธรรมดาพระนครขาดกษัตริย์ราชสมบัติก็จะตั้งมั่นอยู่ไม่ได้แล้วจึงเห็นพ้องต้องกันให้จัดการพระราชาพิธีราชาพิเศษยกเจ้ามหานามะสักยราชซึ่งเป็นเทะโอรสแห่งสมเด็จพระอมิโตโธธนะราชานุชาแห่งสมเด็จพระสิริสุทโทธทนะพุทธบิดาขึ้นสเสวยมหมายสวริสมบัติสืบสันติวงศ์ ดำรงพิภพกรุงกบิลพัทบุรีโดยโบราณนักขัตติยราชเประเพณีสืบไปกลับมากล่าวถึงพระนางพิมพาราชเทวีซึ่งทรงคุณวิเศษในพระพุทธศาสนาเป็นพระโสดาบันและทรงเป็นพระราชชนนีของพระราหุลอรหันวันหนึ่งพระนางเจ้าทรงจินตนาการรำพึงว่าธรรมดาราชสมบัติขัตติยสุขในสกลปัตถพี ย่อมมีแต่จะถึงซึ่งความหวั่นไหวแปรปรวนไปมิได้เที่ยงว่าผู้ใดจะเป็นเจ้าของครุวนาหลุดยางกมิ้นย่อมจะพลันสิ้นสีมิได้ติดอยู่นานอันราจะสมบัติกรุงกวิลพัทนี้เป็นของพระราชสวามีที่รักแห่งพิมพาร์ในระยะเวลาที่ยังดำรงชีวาเห็นเห็นอยู่ก็ยังตกเป็นของท่านผู้อื่นได้ด้วยว่าสมเด็จพระพัสดาแห่งพิมพานี้มิได้ทรงมีความเอื้อเฟื้ออะไร ทรงสละเสียดุดก้อนเขละเสด็จออกบรรพชาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พึ่งแห่งเหล่าประชาสัตว์ทรงชักนำให้เจ้าราหุลบวรดนยัยได้บรรพชาสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทรงคุณใหญ่เมื่อเป็นเช่นนี้จะเป็นประโยชน์อะไรแก่พิมพาต่อการที่จะอยู่ในคารวะวิสัยควรที่พิมพานี้จะสละสมบัติออกบรรพชาเป็นพระภิกษุณีตามเสด็จพระพัสดาและเจ้าราหุลอรหรัน จึงจะเป็นการดีเลิศประเสริฐนักทรงจินตนาการเห็นคุณแห่งบรรพชาชนี้สมเด็จพระนางเจ้าพิมพาราชเทวีจึงเสด็จบทจรลีลาไปสู่ที่เฝ้าแห่งพระราชาธิปดีกรุงกบิลพัทบุรีพระองค์ใหม่ถวายบังคมลาสมเด็จพระเจ้ามหานามราชาธิปดีแล้วก็พานางสักยราชนารีกับทั้งอนเนกสุรางคณิกรบริวารเสด็จขมอาการออกจากกรุงกบิลพัทไปสู่เมืองสาวถี ครั้นถึงจึงถวายอัญชลีสมเด็จพระชินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าทูลขอบรรพชาก็ทรงพระกรุณาโปรดประทานภิกษุณีอุปสมบทกรรมด้วยอัฏฐคุธรรมแปดประการพร้อมกับนารีที่เป็นบริวารสมตามความปรารถนาการต่อมาปรากฏว่าพระนางเจ้าพิมพาภิกษุณีเธอตั้งใจเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างพระวิปัสสนาญาณให้วัฒนาการจริญขึ้นโดยลาดับ จนกระทั่งได้บรรลุพระอาหารหัตตผลญาณอันเป็นปฏิบัตสัติวิมุตในพระพุทธศาสนาสำเร็จเป็นพระอาหารหันตมหาขีณาสวะเจ้าทรงไว้ซึ่งคุณวิเศษคือฌานอภิญยาและพระปฏิสัมพิธาญาณพระพิมพาทูลลานิพานครั้นพระพิมพาภิกษุณีได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันตมหาขีาสวะเจ้าทรงคุณวิเศษในพระพุทธศาสนาขั้นสูงสุด สเสวยวิมุตติธรรมอยู่พอควรแก่การแล้ววันหนึ่งพระเถ ร, รีมีจิตผ่องแผ้วอธิษฐานเข้าฌานสมาบัติเป็นผาสุขวิหารออกจากฌานแล้วจึงอาวัชนาการพิจารณาดูอายุสังขารแห่งตนก็เห็นแจ้งประจักษ์ชัดด้วยอำนาจยานพิเศษว่าอายุสังขาร น, นั้นจะพลันสิ้นเสียแล้วจึงอุท้าการลุกขึ้นโดยพลันชวนพระภิกษุณีที่เป็นปริวาร ขบวนาาการไปสู่สำนักสมเด็จพระจอมจักรสัมมาสัมพุทธเจ้าประนดน้อมถวายวันทาด้วยเบญจังค้าประดิษฐ์สถิตนั่งอยู่ณที่อันควรส่วนข้างหนึ่งแล้วทอดพระเนตรเล็งแลดูพระพักมณฑลแห่งองค์สมเด็จพระบรมทศพนซึ่งงามพร้อมด้วยพระพุทธลักษณะปานประหนึ่งว่าปริมณฑลแห่งพระจันทร์อันงามยิ่งเฝ้าเล็งแลดูนิ่งงานเป็นที่ผิดสังเกตไม่เหมือนทุกวันแต่การก่อน สมเด็จพระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้ทรงไว้ซึ่งสัพพัญธุตญาณทรงทัศนาเห็นพระพิมพาภิกษุณีอรหันต์มีอาการผิดแปลกเช่นนั้นก็ทรงพิจารณาเห็นอย่างแจ่มแจ้งในญาณแห่งพระสัพพัญญูว่าพระพิมพาภิกษุณีนี้ถึงการสิ้นชนมายุสังขารจะมาลาตถาคตดับขันเข้าสู่ปรินิพานในการวันนี้ควรที่ตถาคตจักสาแดงปฏิหาร ให้ปรากฏแก่เจ้าพิมพ์าในวาระสุดท้ายนี้โดยยิ่งสมเด็จพระมิ่งมงกุฎบรมศาสดาทรงอวัชนาการชนีแล้วก็ทรงเปล่งพระรัศมีแห่งพระวรกายให้เป็นไปโดยงดงามหลายสิ่งหลายอย่างอาทิบางรัศมีที่ปรากฏออกจากพระวรกายในขณะนั้นปรากฏดูดรัศมีแห่งพระอาทิตย์เมื่อแรกอุทยัยบางรัศมีปรากฏดุดสายรุ้งและดอกอุบลแดง มีพันธรายเลื่อมระยับแสงแล่นวนเวียนห้อมล้อมพระองค์และดูรุ่งเรืองโอภาษงดงามสุดประมาณพระพิมพาเทรีอรหรันทอดทัศนาพระวรกายแห่งสมเด็จพระไตรโลกนาถซึ่งโอภาษรุ่งเรืองไปด้วยพระสมีงามต่างๆดังนั้นก็พลันบังเกิดธรรมสังเวทในพระทัยแล้วจึงตัดสินใจกราบทูลพระกรุณาขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระภาคอันงาม และประดับไปด้วยพระสมีพระองค์ได้ทรงพระอุตสาหะสั่งสมอบรมพระพุทธบารมีมาแต่อดีตชาติหลายอสงไขโน้นก็ดีพระองค์ก็ได้ทรงเป็นสวามีแห่งพิมพาข้าพระบาทนี้นับพระชาติไม่ถ้วนตลอดมากรบเท่าได้ตรัสแก่พระปรมาพิเศกสำโพทิยานในการระบัดนี้ก็ดีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระพุทธบารมีจำเดิมแต่นี้ไปอันตัวพิมพาฆ่าพระบาทนี้ จากมีโอกาสได้ทอดทัศนาพระองค์ผู้เคยทรงเป็นพระพัสดานั้นก็หาไม่ได้อีกแล้วจะได้วิสาสะคุ้นเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระองค์อีกเหมือนการก่อนนั้นก็หาไม่ได้อีกแล้วขอพระองค์จงทรงพระกรุณารับทราบไว้เถิดว่าพิมพาข้าพระบาทนี้จะมีโอกาสได้เห็นพระรูปพระโมพระสิริวิราชสวภาคลักษณะของพระองค์ก็คงครั้งนี้เป็นปัดชิมที่สุดแล้ว จะได้ถวายนามัสการยินดีต่อองค์พระปฏิบแก้วก็คงครั้งนี้เป็นปัจชิมที่สุดอยู่แล้วจะได้กระทาสัจจะคารวะพระองค์ผู้เคยทรงเป็นสวามีสุดที่รักก็คงจากครั้งนี้เป็นปัจชิมที่สุดด้วยว่าข้าพระบาทพิมพามีวาสนาสิ้นสุดจะขอพระบรมพุทธานุญาตทูลลาดับขันเข้าสู่นิพพานเพราะสิ้นชนมายุสังขารในวันนี้แล้วพระเจ้าค่ะ ได้ทรงสดับคำกราบบังคมลาเข้าสู่พระนิพพานของพระนางพิมพาภิกษุณีซึ่งเคยเป็นคู่สร้างพระบารมีชนีสมเด็จพระชินสีพพุทธเจ้าก็ทรงบังเกิดธรรมสังเวทในความเป็นไปแห่งอายุสังขารจึงได้ประทานอนุญาต ด, ด้วยพระพุทธดีกาว่าดูก่อนเจ้าพิมพาที่เคยมีคุณแก่ตถาคตเอยหากเจ้ากำหนดการอันควรแล้วก็จงเคลื่อนแคล้วดับขันเข้าสู่พระนิพพาน อันเป็นอมตะสุขไปตามอัธยาศัยของเจ้าเถิดเราตถาคตอนุญาตเมื่อได้รับพระบรมพุทธานุญาตด้วยพระพุทธดีกาดังนี้พระพิมพาภิกษุณีเถรีเจ้าที่จะเข้าสู่นิพพานก็นิสัชนาการนิ่งนึกตรึกตรองอยู่ครู่หนึ่งแล้วกราบบังคมทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระภาคอันงามการเมื่อพระองค์ทรงสร้างพระพุทธบารมีเพื่อพระโพธิญาณ ท่องเที่ยวอยู่ในกระแสวัะสงสารกับพิมพาฆ่าพระบาทนี้ด้วยกันมาตั้งแต่ครั้งศาสนาสมเด็จที่ปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตราบเท่าจนถึงการปัจฉิมชาตินี้จะได้ขาดไมตรจิตวิสาสะคุ้นเคยกันนั้นก็หาไม่พระองค์เสวยพระชาติเป็นอะไรพิมพาฆ่าพระบาทนี้ก็เสวยชาติเป็นเช่นนั้นด้วยเป็นอย่างนี้ทุกๆชาติมาในการครั้งนี้แหลพิมพาฆ่าพระบาท จะขาดจากไมตรีวิสาสะคุ้นเคยกันกับสมเด็จพระองค์เจ้าเล่าด้วยว่าวันนี้เข้าถึงวันอุโบสถเพนเดือนสี่ข้าพระบาทที่ชื่อว่าพิมพาเถรีภิกษุณีจะขอถวายนมัสการฝ่าพระบาทยุคนทั้งคู่ของสมเด็จพระสันเพชรพุทธสัพพันยูเจ้าเข้าสู่ปรินิพานแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นการสมควรที่พิมพาข้าพระบาทจะขอถือโอกาสเข้ามาโทสานุโทษ ต่อพระองค์เสียในครั้งนี้พราสืบไปเบื้องหน้าจะได้มีโอกาสกราบทูลพระกรุณาขอขมาโทสานุโทษก็หาไม่อีกแล้วขอองค์สมเด็จประทิบแก้วจงทรงพระกรุณารับคําขอขมาโทษอันพิมพ์พาฆ่าพระบาทนี้ได้เคยมีความผิดต่อพระองค์มาแต่ปุปปะชาติที่แล้วมาด้วยเถิดพระเจ้าข้ากราบบังคมทูลเพื่อให้ทรงรับคําขอขมาโทษชนี้แล้ว สมเด็จพระพิมพาภิกษุณีอรหันต์ทรงชานอาพิญญาแก่กล้าก็รำลึกถึงชาติห้นหลังด้วยพระปุปเพนิวาสานุสติยานนำมากราบทูลพระกรุณาองค์สมเด็จพระบรมศ า, ศาสดาจารย์ประมาณได้หลายพบหลายชาตินักหนาโดยมีใจความเป็นตัวอย่างบางพบบางชาติซึ่งเป็นอดีตประวัติที่ออกมาจากพระโอษฐ์องค์พระพิมพาเถรีดังต่อไปนี้อติทุกขกุมารี ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นพระบรมโลกานายกในอดีตชาติล่วงแล้วแต่หุนหลังครั้งศาสนาแห่งพระพรหมเทวะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ผู้ทรงเป็นพระโพธิสัตว์สเสวยประชาติเกิดในตระกูลทุกขตะเกิดใจมีนามว่าอาติทุก ข, ขามานพข้าพระบาทที่ชื่อว่าพิมพ์พานี้ก็ได้เกิดเป็นนางกุมารีผูกสมัครรักใคร่เป็นสามีภรรยากันอาศัยอยู่ในชนบทแห่งหนึ่งตามประษายาก กาลวันหนึ่งอติทุกขะมานพเข้าไปสู่ป่าปรารถนาเพื่อจะตัดฟื้นมาขายได้ไปพบพระอัครสาวกแห่งพระพ ม, มะเทวะสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังนั่งเข้านิโรธทัศมาบัติอยู่ณนะภายใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งจึงบังเกิดสมนัสยินดียิ่งนักนาะรีบกลับบ้านร้องเรียกข้าพระบาทซึ่งเป็นภรรยามาปรึกษาพร้อมใจกันแล้วก็นาพิมพ์พาข่าพระบาทไปขายฝากไว้ได้ซั์มาแล้ว จึงซื้อไม้และเสาทั้งอุปกรณ์อื่นๆไปปลูกสร้างเป็นกุฏีถวายแก่พระอัครสาวกอรหันผู้ทรงคุณวิเศษนั้นนิมนต์ให้ขึ้นครองกุฏีที่สร้างใหม่ด้วยน้ำใจเลื่อมใสศรัท ธ, ธาเดชะพลานิสง์แห่งการถวายกุฏีทานแด่พระอัครสาวกทรงคุณวิเศษของสมเด็จพระพุทธเจ้าในการลครั้งนั้นอันเป็นทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมฝ่ายกุศลแรงกล้าจึงบันดาลให้อติทุกขามานบ ประสบโชคร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีขึ้นต่อการไม่นานช้าฝ่ายข้าพระบาทพิมพาซึ่งเป็นภรยาก็ดีอกดีใจตั้งตนเป็นใหญ่ในสมบัติเศรษฐีนั้นครใดเกิดโมหันไม่พอใจท่านเศรษฐีใหม่ขึ้นมาก็กล่าวคำหยาบช้าว่าประสาทเศรษฐีก็ดีทรัพย์สมบัติอื่นใดก็ดีจะบังเกิดมีขึ้นได้ก็เพราะบุญของข้าเหตุว่านำข้าไปขายจึงได้ทรัพย์มาทากุฏิถวายแด่พระอัครสาวก จนได้เป็นเศรษฐีข้าแต่พระองค์ผู้สรงเคยเป็นสวามีโทษผิดแห่งพิมพาข้าพระบาทนี้หากจะพึงมีในชาตินั้นโดยการกระทำตัวเป็นใหญ่ธรรมายาเกล่าถ้อยคำหยากช้าอันมิควรแล้วไซขอองค์พระจอมไตรโลกนาถดจงทรงพระกรุณาอดโทษทั้งปวงให้แก่ข้าพระบาทชื่อว่าพิมพาซึ่งจะดับขันเข้าสู่นิพพานในการวันนี้เถิดพระเจ้าข่าพระนางนันทาเทวี าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตชาติล่วงแล้วแต่หนหลังครั้งศาสนาแห่งพระพมมเทวะสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกเช่นกันกาละครั้งนั้นพระองค์ผู้ทรงเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นสมเด็จพระราชาธิปดีทรงพระนามว่าพระเจ้านันทราชส่วนตัวพิมพาข้าพระบาทนี้ได้เป็นอัครมเหสีแห่งพระเจ้านันทราช้นโดยมีนามปรากฏว่าพระนางนันทาเทวี กาลวันหนึ่งสมเด็จพระเจ้านันท ร, ราชบรมกษัตริย์ทรงว่างราชกิจจึงเสด็จพระรา ช, ชดำเนินไปชมสวนอุทยานพร้อมทั้งพระอัครมเหสีและเสนีรีพลพหลโยธาเป็นอันมากครั้งนั้นพระนางนันทาเทวีอัครมเหสีได้ทอดพระเนตรเห็นดอกรังงามตรการตาเป็นที่เจริญตาเจริญใจน้ำพระทัยนางปรารถนาจะไครได้ดอกรังมาเฉยชมขณะนั้น หมู่อำมาตย์ราชเสนาซึ่งตามเสด็จไปก็มีอยู่เป็นอันมากแต่นางพระยาเจ้าจะได้มีสวันีรับสั่งใช้ผู้ใดผู้หนึ่งก็หาไม่ได้กลับมีพระไทยเจาะจงกราบทูลพระราชสวามีขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอพระองค์จงได้ทรงพระกรุณาเถิดคือขอพระองค์จงเสด็จขึ้นไปสู่ต้นรังเลือกเก็บอดดอกรังเฉพาะที่ ง, งาม ลงมาพระราชทานให้แก่กระหม่อมฉันได้ชมเล่นในการระบัดนี้โดยเหตุที่สมเด็จพระราชาธิบดีทรงมีความสเสน่หารักใคร่ในพระอัครมเหสีนั้นนักหนาเมื่อได้ทรงเสวนาการนางพระยาเจ้าใช้ให้เสด็จขึ้นไปเอาดอกรังมาด้วยพระองค์เองดังนั้นก็มิได้รอชา้าทรงรีบป่ายปีนขึ้นไปบนต้นรังเลือกเก็บดอกเฉพาะที่งามๆได้เป็นอันมากแล้ว ก็เสด็จลงมาพระราชทานให้แก่พระคระมเหสีตามความปรารถนานางพระยานันทาเทวีเจ้าเมื่อได้ดอกรังที่พระราชาสวามีประทานให้ก็ดีพระไทยยิ่งนักหนานางจึงร้อยเป็นมาลาแล้วปักที่พระเกษาและประดับประดาพระวรากายด้วยโสมนัสยินดีตามวิสัยสตรีข้าแต่พระองค์ที่เคยทรงเป็นสวามีโทษผิดแห่งพิมพ์พาฆ่าพระบาทนี้หากจะพึงมีในชาตินั้น โดยใช้ให้เสด็จขึ้นไปนำเอาดอกรังมาประทานซึ่งเป็นการลำบากแก่พระองค์แล้วไซขอองค์พระจอมไถ่โลกกนาตจงทรงพระกรุณาอดโทษให้แก่ข้าพระบาทชื่อว่าพิมพาซึ่งจักถวายบังคมทูลลาเข้าสู่นิพพานในวันนี้เสียเถิดพระเจ้าค่านาคีกุมารีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตชาติล่วงแล้วแต่หนหลัง คั้งศาสนาแห่งพระสยามภูสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ผู้ทรงเป็นพระโพธิสัตว์จะเบยพระชาติเป็นดาบทฤศสีทรงฌานอภิญญาส่วนตัวพิมพาฆ่าพระบาทนี้เกิดเป็นหญิงสาวชาวบ้านใกล้ปล่านามว่านาคีกุมารีกาลวันหนึ่งพระองค์ผู้ทรงเป็นฤศสีนั้นมีความประสงค์จะอบรมฌานให้แก่กล้าจึงเข้าฌานอธิษฐานอภิญญาแล้วเหาะมาโดยนภ า, าดลเวหา ส่วนนางนาคีกุมารีออกจากบ้านเที่ยวเก็บผักหักฟืนอยู่ในป่าพลางและร้องรำทำเพลงไปพลางตามประษาของนางซึ่งยังเป็นสาวแรกรุ่นดารุณีเมื่อพระฤาษีเหอะมาตรงสถานที่นั้นได้สดับเสียงแห่งนางกุมารีร้องเพลงกำหนดว่าเป็นเสียงไพเราะจับใจให้บังเกิดความรักใคร่ยินดีในเสียงสตรีชาตที่ได้ก็พลันเสื่อมทันทีทาให้พระฤาษีตกลงมาอย่างพื้นพสุธา จำเพาะต่อหน้านางนาคีกุมารีเจ้าของคีตาลีลาครั้นได้ทอดทัศนารูปโฉมนางนั้นจนทั่วสารพังขากายหารุไทยของพระฤาษีก็ยิ่งกำเริบรักนางขึ้นอีกเป็นทัพทวีดําริว่าเพราะเหตุด้วยสตรีคนนี้อาตมาจึงเสื่อมจากฌานที่ได้โดยยากถ้าไกลอาตมาจะผูกสมัครรักใคร่เป็นสามีภรรยา ก, กันกับสตรีคนนี้เถิดดําริชนีแล้วก็เอ่ยว่าจี ขอผูกพันเป็นการมสันทวะจนได้เป็นสามีภรรยากันในชาตินั้นข้าแต่พระองค์ที่เคยทรงเป็นสวามีโทษผิดแห่งพิมพาข่าพระบาทนี้หากจะพึงมีในชาตินั้นโดยการทำลายพระองค์ผู้ทรงเป็นฤาษีให้เสื่อมจากฌานสมาบัติแนวไซส์ขอองค์พระจอมไตรโลกนาดจงทรงพระกรุณาอดโทษให้แก่ฆ่าพระบาทชื่ว่าพิมพา ซึ่งจากถวายบังคมลาเข้าสู่นิพพานในวันนี้เสียเถิดพระเจ้าข่านางพญาปลาดุข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตชาติล่วงแล้วแต่หุนหลังครั้งศาสนาแห่งสมเด็จพระสุมณะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์สเสวยพระชาติเป็นพญาปลาดุฝ่ายตัวพิมพาข้าพระบาทนี้ก็เกิดเป็นปลาดุตัวเมีย ได้สมัครรักใคร่ผูกพันเป็นสามีภรรยากันอาศัยอยู่ในท้องนาทีแห่งหนึ่งเป็นสุขอยู่ตามประษาสัตว์เดรัจฉานการละวันหนึ่งเป็นเทศกาลวสันตฤดูเมื่อฝนตกใหญ่ท้องนาทีเอิญนองท่วมท้นไปด้วยอุ่ทกวารีนางพญาปลาดุกก็ถึงคราวมีคันให้มีอันเป็นอยากจะกินซึ่งหญ้าอ่อนเขียวกจีเพิ่งระบาดใหม่ๆพญาปลาดุกผู้เป็นสามีรู้อัธยาศัย ด้วยความรักใคร่ในภรรยาก็อุตสาหไปเที่ยวแสวงหาพยายามแแบกไหวอุทกวารีไปในที่ต่างๆเพื่อจะนําเอาญ้าอ่อนมาให้นางพญาปลาดุกที่สงคัน ด, นดันด่นมาจนถึงแดนมนุษย์พวกเด็กโคบานทั้งหลายเห็นปลาดุกตัวใหญ่ก็ดีใจใคร่จะได้เป็นอาหารจึงชวนกันไล่ตีด้วยไม้ปะตักตีถูกหางพญาปลาดุกนั้นจนขาดเป็นบาดแผลโลหิตไหล ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสถึงกระนั้นก็สู้อดกลั้นคาบหญ้าอ่อนรีบแวกไว่ายุทกาวารีหนีมาส่งให้ภรยาจนได้นางพญาปลาดุกกินซึ่งหญ้าอ่อนสมความปรารถนาก็ดีเนื้อดีใจส่วนพญาปลาดุกเมื่อส่งหญ้าอ่อนให้แก่ภรยาแล้วก็เฝ้าแลดูหน้านางปลาด้วยนัยนาที่เศร้าโศกาเต็มไปด้วยทุกขเวทนาเจ็บปวดเพราะบาดแผลที่หางนั้นเป็นที่ยิ่ง เมื่อเห็นนางปลากินหญ้าอ่อนเสร็จสิ้นสมปรารถนาแล้วจึงหันหางไปไว้ตรงหน้านางปลาประดุดดังจะชี้ให้ภรรยาดูบาดแผลที่หางแล้วก็ถึงวิสัญยีภาพนางพญาปลาดุเห็นสามีต้องอันตรายโลหิตไหลออกมาจากหางมิได้ขาดสายจนถึงแก่วิสั ญ, ญีไปเพราะตนเป็นเหตุเช่นนั้นก็พลันบังเกิดความเสียใจร่ำให้รำพันอยู่ด้วยความสงสารสามีนั้นยิ่งนักหนา ข้าแต่พระองค์ที่เคยทรงเป็นสวามีโทษผิดแห่งพิมพาฆ่าพระบาทนี้หากจะพึงมีในชาตินั้นโดยทำความลำบากยากเย็นเป็นสาหัสให้เกิดขึ้นกับพระองค์เพียงประสงค์จะได้กินซึ่งหญ้าอ่อนระบัดใบในขณะทสงขันแล้วไซขอพระองค์พระจอมไตรโล ก, กนาถจงทรงพระกรุณาอดโทษให้แก่ฆ่าพระบาทชื่อว่าพิมพาซึ่งจักถวายบังคมลาเข้าสู่นิพพานในวันนี้เสียเถิดพระเจ้าข่า อันิมิตาเศรษฐีนีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตชาติล่วงแล้วแต่หุนหลังครั้งศาสนาแห่งสมเด็จพระนารธ ะ, ะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นชดินเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติมหาศาลแม้พิมพา์าก้าประบาทนี้ก็ได้เป็นภรรยาของเศรษฐีนั้น น, น, นามว่าอนันนมิตาเศรษฐีนี ครองคารวาสสมบัติเป็นสุขอยู่ทุกที่วาราตรีกาลวันหนึ่งชาดินเศรษฐีสามีเกิดปัญญาพิจารณาเห็นว่าความสุขในคารวาสบสัยเป็นความสุขไม่เที่ยงแท้แน่นอนปรารถนาความสุขชัว่วนิรันจึงออกไปบวชเป็นดาบทประพฤติพรตปรมจรนทร์บำเพ็ญสมถกรรมฐานอยู่ในอารันนางอนิมิตาภรยาอุตสาเดินทางติดตามไปครั้นได้เห็นสามี บวชเป็นดาบทแล้วก็มีจิตผ่องแผ้วสมนัตอนุโมทนาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็อุดสาปฏิบัติรับใช้นำเอาอาหารทูลเหนือศีรษะออกไปถวายแด่พระดาบทผู้สามีมีให้ต้องลำบากด้วยปัจจัยสี่แต่ประการใดโดยตั้งใจจะสนับสนุนเกื้อกูลให้ท่านดาบทรีบเร่งบำเพ็ญให้สำเร็จโดยไวสมัยนั้นยังมีนางกินรีต น, นึง เกิดความเลื่อมใสในองค์ดาบทจึงมาสู่อาสมเพื่อประสงค์จะถวายนมัสการซึ่งบาดแห่งดาบทผู้ทรงพรตพรหมจันทร์ก็บังเอิญเป็นเวลาที่นางอนิมิตาเศรษฐีนีซึ่งเป็นโยมอุปถัมภ์นำเอาอาหารทูนเหนือศีรษะมาเห็นนางกินนารีนั่งอยู่ในกุดีจึงเกิดความเข้าใจผิดกล่าวต่อว่าดาบทด้วยความโกรธและน้อยใจว่าข้าแต่ท่านดาบท แต่เดิมทีสิท่านเห็นโทษในคารวาสวิสัยจึงได้หนีออกจากเคหาทิ้งข้ามาบวชอยู่ในป่าข้านี่หรือก็มาสําคัญว่าท่านบวชจริงจึงอุตส่าห์นําอาหารออกมาถวายต้องเดินทางไกลด้วยความลําบากยากนักหนาะเออบัดนี้ท่านมาผูกปฏิพัเ์เสนหากับด้วยนางกินารีรูปงามอยู่ในป่านี้ยังมีความสุขในโลกีโอหนอไม่ควรเลยที่ท่านจะมาล่อลวงเรา ให้เป็นบาปชาลามกอันนมิตรเจ้ากล่าวด้วยความเข้าใจผิดชนีแล้วก็รีบออกมาจากป่าแม้ท่านดาบทจะพยายามชี้แจงแสดงความจริงอย่างใดก็ไม่เชื่อฟังทั้งสิน้นตั้งแต่วันนั้นมานางก็ละเลยไม่ได้นำพาว่าจะเป็นเช่นไรปล่อยให้ดาบทผู้สามีอดอดอยา ก, ยา ก, ยากด้วยขาดปัดจจัยสี่ข้าแต่พระองค์ผู้เคยทรงเป็นสวามีโทษผิดแห่งพิมพาข้าพระบาทนี้ หากจากพึงมีในชาตินั้นโดยความเข้าใจผิดตัดพ้อต่อว่าแล้วปล่อยให้อดอยากซึ่งเป็นการแกล้งให้พระองค์ลำบากแล้วไซขอองค์พระจอมไตรโล ก, กนาฏจงทรงพระกรุณาอดโทษให้แก่ข้าพระบาทชื่อว่าพิมพาซึ่งจากถวายบังคมลาเข้าสู่นิพพานในวันนี้เสียเถิดพระเจ้าข่าปทุมากุมารีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึงแห่งสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตชาติ ล่วงแล้วแต่หนหลังครั้งศาสนาแห่งพระปฐุมมาศดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์สเสวยพระชาติเป็นมานพหนุ่มรูปงามนามว่าอังคุตรมานบฝ่ายว่าตัวพิมพาข้าพระบาทนี้เกิดเป็นกุมารีนักเต้นรำนามว่าปธุมากุมารีครั้นจาเริญวัยวัฒนาการแล้วก็ได้ผูกสมัครรักใคร่เป็นสามีภรรยากัน การละวันหนึ่งสมเด็จพระมาหากษัตริย์เจ้าซึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าสังคราชบ่อพิษทรงมีพระราชดำรัสสั่งให้มีการเล่นมหรสพขึ้นในทถ้ำกลางพระมาหานครเจ้าปทุมากุมารีซึ่งเป็นนาฏศิลปินถนัดในการเล่นเต้นรําก็สมัครเข้าไปเล่นเต้นรําตามอัธยาศัยท่ามกลางสายตาของฝูงชนทั้งหลายครั้นอังคุตระมาณพผู้เป็นสามีตามฝูงชนเข้าไปดู คนทั้งหลายซึ่งอยู่ในที่นั้นต่างก็พากันล้อเลียนเยาะเย้ยว่าท่านเจ้าข้าเอ๋ยบุรุษผู้นี้เป็นสามีของนางบำเรอคนนั้นบุรุษคนนี้เป็นสามีของนางรําคนนั้นบุรุษคนนี้เป็นสามีของนางรําที่ปราศจากความละอายคนนั้นร้องบอกกันต่อๆไปเชนี้ซึ่งทําให้อังคุตรมานพผู้เป็นสามีได้รับความอับอายเป็นอันมากถึงกับต้องแหวกฝูงชนกลับมาเคหา ด้วยความอับอายและด้วยความเสียใจนักหนาข้าแต่พระองค์ผู้เคยทรงเป็นสวามีโทษผิดแห่งพิมพาข้าพระบาทนี้หากจากพึงมีในชาตินั้นโดยทำให้พระองค์ได้รับความอับอายต่อหน้ามหาชนจนเกิดความโทมนัสอึดอัดใจแล้วไซขอองค์พระจอมไตรโลกนาถทรงทรงพระกรุณายกโทษให้แก่ข้าพระบาทชื่อว่าพิมพาซึ่งจักขอถวายบังคมลาเข้าสู่นิพพาน ในวันนี้เสียเถิดพระเจ้าค่ามกตนารีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตชาติล่วงแล้วแต่หุนหลังครั้งศาสนาพระตันหังก่อสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระยาวานอนอาศัยอยู่ในป่าใหญ่แห่งหนึ่งฝ่ายว่าพิมพ์พาข้าพระบาทนี้ก็เกิดเป็นมกตนารีนางวานน และได้สมัครสังวาสเป็นสามีภรรยากันกับพยาวานอนนั้นการละวันหนึ่งนางพยาวานอนซึ่งเป็นภรรยาอยากจะบริโภคผลเมื่อเดือสุกยิ่งนักหนาพยาวานอนรู้อัตยาศัยแห่งภรรยาในขณะนั้นด้วยความผูกพันรักใคร่สเสน่หาในภรรยาเป็นอันมากก็อุตสาหะไปเที่ยวเสาะสแสวงหาผลเมือเดือสุกเพื่อจะนําเอามาให้ภรรยาเคี้ยวกินให้สมอยากในที่สุด ได้ไปพบต้นมะเดื่อต้นหนึ่งซึ่งทรงผลอันสุกอาร่ามสมความปรารถนาพยาวานอนก็ดีเนื้อดีใจโลดผลปีนป่ายขึ้นไปบนต้นมะเดื่อทันทีครั้งนั้นยังมีเสือโคร่งตัวหนึ่งเห็นพยาวานอนซึ่งอยู่บนต้นมะเดื่อนั้นก็รีบหมอบแอบอยู่ที่สมทุมพุ่มป่าชัดเพ่งมองมุ่งหมายขเขม่นตาปรารถนาจะกินเนื้อพยาวานอนเป็นอาหาร ครั้นพยาวานอนเลือกเก็บลูกมะเดื่อสุกได้ตามความต้องการแล้วก็ค่อยขยับกายลงมาจะได้รู้ว่าเสือร้ายหมอบมองเขเม่นหมายอยู่ก็หาไม่ได้เมื่อต่ลงมาเกือบใกล้จะถึงพื้นปะทะพีเสือร้ายซึ่งคอยทีอยู่เห็นเป็นโอกาสแล้วก็กระโดดโลดโผนขึ้นไปจับเอาพยาวานอนนั้นตะบบให้ถึงตายถลกหนังปกศรีรษะแล้วก็ดูดดื่มซึ่งโลหิต และบริโภคซึ่งเนื้อเป็นอาหารจนอิ่มหนำสำราญแล้วก็จากไปฝ่ายนางวานอนที่เป็นภรรยาอยู่ข้างหลังจะได้รู้ว่าพยาวานอนผู้เป็นสามีเกิดอันตรายถึงกับเสียชีวิตไปแล้วก็หาไม่ได้จึงเฝ้าแต่คอยหายคอยหายด้วยความห่วงใยตกถึงสายันหาสมัยตะวันเย็นลงรอนรอนนางพยาวานอนตั้งใจคอยสามีไม่ได้เห็นกลับมา ก็ให้สังหรณ์ใจว่าจะเกิดอันตรายจึงร้องไห้รำพันหาสามีไปทุกแห่งหนตำบลเที่ยวคน้นเที่ยวเสาะหาอยู่จนสิ้นยามราตรีแต่จะได้พบเห็นหน้าสามีสุดที่รักก็หาไม่ได้เห็นฝูงเนื้อฝูงนกที่สัญจรไปมาในป่าใหญ่ก็ร้องไห้รำพันถามหาถึงสามีแห่งตนแต่ก็ได้รับคำบอกเล่าว่าไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นทุกรายไปเจ้าก็ให้ระทมทุกบานประหนึ่งว่า จะขาดใจตายร้องกรีดกริ่งตะโกนก้องตะเวนหาด้วยคำรำพันว่าโอ้พยาวานนผู้เป็นสามีของน้องนี่เอย๋ยช่างกระไรเลยมาลับกายหายหน้าไปเสียเฉยเฉยไปอยู่ในสถานที่ใดได้สุขทุกข์ภัยประการใดฉะไหนจึงไม่ขานตอบน้องเสียเลยแต่สักทีเล่าเจ้าเฝ้ารำพันเดินร้องไห้ไปในอารันไม่ได้หยุดยัง้ง จนเหนื่อยอ่อนสิ้นกำลังล้มพับลงไปกับพื้นปฐพีแต่จะได้พบเห็นพยาวานอนสามีหรือจะได้ยินเสียงร้องรับกู่ขานนั้นก็หาไม่ได้ในที่สุดนางจึงมาหวนจิตคิดระแวงแล้วรำพันว่าโอ้พยาวานอนผู้เป็นสามีของน้องนี่เอย๋ยก็ไรเลยช่างมาตัดอะไรทิ้งน้องไปได้ชรอยจะไปผานพบคบหากับด้วยนางวานอนอื่นๆเป็นที่ชอบเนื้อเจริญใจ แล้วก็พากันไปสู่ที่สำราญสบายแล้วปล่อยให้น้องแก้วเฝ้าคอยหาประกอบด้วยทุกขเวทนาชอกช้ำระกรรมใจปานชนิดมกตะนารีเจ้าร้องไห้ร่ำไรค่ํำควรไปมาในยนาทั้งสองน้องด้วยน้ำตากอบด้วยโศกาไัยสะอื้นให้ปริเวทนาการอยู่จนขาดใจตา ย, ตายไปณสถานที่กลางอารันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เคยทรงเป็นสวามี โทษผิดแห่งพิมพาข่าพระบาทนี้หากจากพึงมีในชาตินั้นโดยเหตุทำให้พระองค์ต้องถึงแก่ความตายเพราะเสือร้ายแล้วไม่ได้รู้แจ้งความจริงกับเกิดวิหิงสาคิดระแวงไปตามประสาสตีแล้วไซขอองค์พระจอมไตรโลกนาถจงทรงพระกรุณาอดโทษแก่ฆ่าพระบาทชื่อว่าพิมพาซึ่งจากถวายบังคมลาเข้าสู่นิพพานในวันนี้เสียเถิดพระเจ้าค่าปัญญากุมารี ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตชาติล่วงแล้วแต่หุนหลังครั้งศาสนาแห่งพระตันหังกรสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นกุมารหนุ่มน้อยได้บรรพชาเป็นสัมมเนนในพระบวรพุทธศาสนานามว่าเจ้าธรรมรักขตะสัมมเนนฝ่ายว่าตัวพิมพาข่าพระบาทนี้เกิดเป็นกุมารีที่หมู่บ้านใกล้อารามมีนามว่า ปัญยากูมารีการละวันหนึ่งที่อารามนั้นมีการบําเพ็ญกุศลเรื่องในเทศกาลสงกรานต์ชาวบ้านทั้งปวงล้วนแต่เป็นพุทธศาสนิกชนจึงชวนกันไปบําเพ็ญกองการกุศลคือสงน้ําพระพุทธปฏิมาและพระเจดีพระศรีมหาโพตลอดจนสงน้ําพระสงฆ์สามเณรด้วยเลื่อมใสศรัทธาเจ้าปัญญากุมารีมีความรักไข่ ในธรรมรักิตะสามเณรมานานเห็นเป็นโอกาสดีก็กระทําอิทธิมายาให้สามเณรรู้ว่าตนมีความเสน่หาสงน้ําพระสงฆ์แต่พอเป็นกิริยาแล้วเจ้าก็ถือขันน้ําเจาะจงไปจะส่งน้ําสามเณรผู้เป็นที่รักเจ้าธรรมรักิตะสามเณรก็ยกหัดขึ้นจับมือนางด้วยความยินดีรักใคร่เป็นเหตุให้มีโทษถึงกับต้องถูกศึกในวันนั้นแล้วก็มาอยู่กิน เป็นสามีภรรยากันได้เจ็ดวันกลับเข้าไปบวชเป็นพระภิกษุได้หนึ่งพันษาครั้นปวารณาแล้วก็รีบสึกออกมาครองเรือนเป็นสามีภรรยากับปัญญากุมารีด้วยอนุภาพแห่งความรักใครเ่เสน่หาข้าแต่พระองค์ผู้เคยทรงเป็นสวามีโทษผิดแห่งพิมพาข้าพระบาทนี้หากอยากพึงมีในชาตินั้นโดยทาลายพระองค์ ให้ขาดจากบรรพชิตภาวะไม่มีโอกาสได้ประพฤติพรหมจรรย์ตลอดไปแล้วไซขอองค์พระจอมไทรโลกนาฏจงทรงพระกรุณาอดโทษให้แก่ข้าพระบาทชื่อว่าพิมพาซึ่งจกขอถวายบังคมลาเข้าสู่นิพพานในวันนี้เสียเถิดพระเจ้าข้าโกกีละนารีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตชาติล่วงแล้วแต่หนหลัง ครั้งศาสนาพระโกนธัญญาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์สเสวยพระชาติเป็นพญานกดูวา่าวฝ่ายว่าพิมพ์พาฆ่าพระบาทนี้เล่าก็ได้เกิดเป็นนางนกดูวา่าวมีความสมัครรักใคร่ได้เป็นสามีภรรยากันอาศัยอยู่ที่รังซึ่งมีอยู่บนยอดไม้ในป่าใหญ่เป็นสุขสําราญตามวิสัยเดรฉานกาลวันหนึ่งพญานกดูวา่าวผู้พัสดา ไปเที่ยวแสวงหาอาหารได้ไปพบผลมะม่วงสุกเหนือเดนกากินอยู่ครึ่งลูกก็อุตส่าห์คาบมาสู่รังเพื่อให้นางนกที่เป็นภรรยาด้วยความสเสน่หารักใกล้ในานางนักหนาฝ่ายว่านางนกที่เป็นภรรยาเมื่อเห็นสามีคาบเอาผลมะม่วงสุกมาให้ดังนั้นแทนที่จะดีเนื้อดีใจเห็นในความดีกลับมีจิตคิดโกรธโดยความเข้าใจผิดว่าพญานกดูเอาสามีนั้น นำเอาผลมะม่วงสุกซึ่งเป็นเดนอันตนกินเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งมาให้มิทันได้ไต่ถามให้แจ้งในความเป็นไปด้วยอารมณ์ที่น้อยใจและโกรธเคืองก็จิกเอาศีรษะสามีด้วยจะ ง, งอยปากตนโดยพลันเท่านั้นยังม่นำซ้ำเอาเท้าตีที่อกแห่งพญาดุเเ่าผู้สามีอีกสองสามทีแต่ว่าพญานกนั้นมีความรักใคร่ในภรยาตนเป็นอันมาก แม้จะถูกนางนกกระทำร้ายเอาถึงเพียงนี้ก็หามีความโกรธเคืองภรยาแม้แต่สักนิดหนึ่งไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เคยทรงเป็นสวามีโทษผิดแห่งพิมพาฆ่าพระบาทนี้หากจากพึงมีในชาตินั้นโดยลุกแก่อานาจโมหันกระทาร้ายแก่พระองค์ซึ่งทรงพระมหากรุณาและหาความผิดมิได้แล้วไซขอองค์พระจอมไตรโลกนาถ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 สเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครกุมภวดีทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าวังคราชฝ่ายว่าพิมพาข้าพระบาทนี้ถือกำเนิดเป็นนางกินารีอยู่ที่สุวรรณครูหาถ้ำทองอันประเสริฐนหิมมวันตะประเทศกาลวันหนึ่งเจ้ากินรีสาวโสภาออกจากสุวรรณครูหาไปเที่ยวเก็บบุพาชาติเกสรดอกไม้ซึ่งมีอยู่มากมายหลายหลากสีเป็นที่รื่นรมใจ ในหิมะวันตัอประเทศแล้วก็บังเอิญให้เกิดเหตุร้ายหลงไปติดอยู่ในไข่ที่นายพรานใจฉกาดดักไว้วันนั้นสมเด็จพระเจ้าวังคราชผู้เป็นใหญ่ในกลุ่มพวดีนครสเสด็จบทาจรประพาสป่าและหลงทิดหาทางออกไม่ได้เที่ยววนเวียนไปมาทางน้วนทางนี้จนมาพบนางกินรีสาวโสภาซึ่งปริเวทนาการด้วยติดอยู่ในไายไปไม่ได้ พระองค์จึงทรงเข้าช่วยทำลายขายนั้นนำเอานางกินนรีออกมาได้สำเร็จแล้วทั้งสองก็ผูกสมัครรักใคร่ด้วยอำนาจแห่งบุพเพสนิวาตสมเด็จพระเจ้าวังคาราชจึงทรงพยายามพานางกินนรีดันด้นมาจนถึงพระนครแล้วก็ทรงแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งที่เอกอัครมเหสีสร้างพระตาหนักให้ประทับอยู่ที่พระราชอุทยานอันเต็มไปด้วยพฤกษาที่มีดอกและใบ ด้วยทรงดําริในพระถ่ของพระองค์ว่าธรรมดาวิสัยของนางกินรีย่อมมีใจชื่นชมยินดีพอใจในบุปผาชาติทั้งหลายอยู่เป็นนิทญานิรัน์ครั้นว่าจะรับเข้าไปอยู่ในพระบรมรา ช, ชวังเล่าก็ให้เกรงไปว่านางจะเศร้าโศกงอยเหงาเพราะไม่มีบุปผามาลัยเป็นที่จเจริญใจมีพระบรมราชเจ อ, องค์การแห่งพระเจ้าวังคราชผู้เป็นใหญ่ให้เจ้าพนักงาน นำบุปผาชาติและเกสรดอกไม้ไปถวายพระอัครมเหสีซึ่งมีชาติเป็นกินรีจากป่าหิมพานต์จงทุกวันอย่าให้ขาดได้ในไม่ช้าก็ปรากฏว่าดอกไม้และเกสรดอกไม้ในพระนคร น, นั้นถึงความหมดสิน้นพระอัครมเหสีกินรีเจ้าเมื่อขาดดอกไม้ก็มีแต่ความโศกเศร้าหงอยเหงาอยู่ทุกวันวันปราศจากความสุขชื่นบาน ด้วยความสงสารและสเสนหาอาัยในองค์อัครมเหสีสมเด็จพระเจ้าวังคราชาธิปดีจึงทรงตัดสินพระไทยสละราชสมบัติพาเอานางกินรีอัครมเหสีกลับไปสู่หิมมวันตัประเทศสเสด็จยับยัง้งรั้งแรงอยู่ในป่าไพรกับด้วยนางซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าดวงหารุไทยตราบเท่าถึงการสิ้นชนมายุสังขารก็สเสด็จสวรรคตที่กลางป่าหิมพานนั้น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 เข้าสู่นิพพานในวันนี้เถิดพระเจ้าข่าวิมล า, าเทวีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตชาติล่วงแล้วแต่ขนหลังครั้งศาสนาพระสุมณะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นนาคาธิ่ปดีมีนามว่าพญาอดุลละนาคาชฝ่ายว่าพิมพาข้าพระบาทนี้ได้เกิดเป็นมเหสีสุดที่รัก ของพญานาคาธิปดีมีนามว่าวิมาลาเทวีสเสวยนาคขสมบัติเป็นสุขอยู่ในนาคคพิภพเป็นเวลาช้านานกาลวันหนึ่งสมเด็จพระมิ่งมงกุฎสุมณะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาแสดงพระสัตว ธ, ธรรมเทศนาเกื้อกองกังวานแผ่ไปไกลได้ยินตลอดไปจนถึงนาคคพิภพพระดุนลนาคราชผู้เป็นใหญ่ในภพแห่งหนาค ได้สดับพระสุรเสียงแสดงธรรมแห่งองค์พระสุมณะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเลื่อมใสศรัทธายินดีจึงชวนเจ้าวิมาลาเทวีพร้อมด้วยนาคบริวารทั้งหลายถือเอาข้าวตอกดอกไม้ทิพย์รีบด่วนจรจากนาคขาพัพิภพทำแรกปรตัตตพีขึ้นมายังมนุษยโลกเข้าไปสู่สำนักสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถวายนามัสการแล้วกระทำสักการะบูชาด้วยข้าวตอกดอกไม้ และสัพพาพรอันเป็นทิพย์ทั้งหลายพร้อมทั้งตั้งใจที่จะสมาทานเบญจศีลไปจนตราบเท่าชั่วอายุไขสมเด็จพระจอมไตรโลกนาถสุมณะปรมศาสดาทรงอาวัชนาการด้วยพระสัพพัญญุตยานอันวิเศษแล้วก็ทรงมีพระพุทธดีกาพยากรณ์ว่าพระอดุลนาขราชนี้จะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตการเป็นเที่ยงแท้ แต่พอได้สดับพระพุทธดีกาว่าดังนี้พระอดุลนาคาธิ่ดีก็มีพระไทยสมรัดยินดีถึงกับน้ำพระเนตรหลั่งไหลไม่ขาดสายถาวายอภิวรธนาการสมเด็จพระบรมศ า, ศาสดาจารย์อยู่นักหนาหลายครั้งหลายคราฝ่ายว่าเจ้าวิมาลาเทวีอัครมเหสีก็เกิดปิติอินดีในพระพุทธดีกาถึงกับลายพิษแห่งนาคาออกมาจนหมดสิน้นแล้วก็กลายกรฟ้อนรำ เพื่อกระทําสักการะบูชาองค์พระบรมศาสดาตามวิสัยแห่งนาคาในขณะที่กลายกรฟ้อนรำถวายสมเด็จพระจอมไตรโลกนาถสุมณะสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่นั้นบังเอิญนิ้วพระหัตของพระนางกลายไปต้องพระเสียนเกล้าแห่งพระญาอดุลนาคราชเจ้าผู้เป็นพระสวามีเข้าหน่อยหนึ่งซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้พระนางจะได้มีเจตนาร้ายอันใดก็หาไม่ได้ ข้าแต่พระองค์ผู้เคยทรงเป็นสวามีโทษผิดแห่งพิมพาข่าพระบาทนี้หากจะบังเกิดมีในชาตินั้นโดยมีความประมาทพลาดพลั้งในขณะฟ้อนรำตามขันลองกลายกรไปต้องพระเสียรเกล้าแล้วไซกข อ, องค์สมเด็จพระจอมไตรโล ก, กนาถจงทรงพระกรุณาอดโทษให้แก่ข้าพระบาทชื่อว่าพิมพาซึ่งจากถวายบังคมลาเข้าสู่นิพพานในวันนี้เสียเถิดพระเจ้าข่า กาลยานีกูมารีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตชาติล่วงแล้วแต่หนหลังครั้งศาสนาพระพุทธรังสีสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นมานบหนุ่มเห็นโทษในคารวะวิสัยและปรารถนาจะาประพฤติพรตพรหมจันทร์บำเพ็ญเนกข ม, มะบ ร, รมีจึงกล่าวคำขออนุญาตภรรยาซึ่งชื่อว่า กาลยานีกุมารีออกบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์สาวกในพระศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระพุทธรังสีสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีนามปรากฏว่าพระัญญาโกนทัญญะภิกขุส่วนว่าพิมพาข่าพระบาทที่เกิดเป็นหญิงนามว่ากาลยานีกุมารีเมื่ออนุญาตให้สามีบวช ด, ด้วยความจำเป็นจำใจอนุญาตแล้วก็ให้นึกโทมนัสขัดเคืองพระคนน้อยใจในสามีนั้นนักหนา โดยคิดว่าสามีเป็นคนเห็นแก่ความสบายไม่นึกถึงความรักความใคร่ปล่อยให้ภรรยาว้าเวเอกาอยู่ในโลกคารวาดนึกโทมนัสน้อยใจอยู่อย่างนี้จนถึงแก่ชีพิตัษใสขาดใจตายด้วยอารมณ์ไม่ผ่องใสนั้นกาลวันหนึ่งเป็นยามราตรีมีฝนพรมเงียบสงัดกำดัดดึกท่านพระัญญาโกรทัญญภิกษุหนุ่มสาวกแห่งองค์พระพุทธรังสีสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้สดับเสียงร้องครวญครางแปลกประหลาดประดุดคนได้ทุกขเวทนาแทบจะขาดใจตายในที่ใกล้กุดีก็ให้มีความอัศจรรย์ใจยิ่งนักหนาด้วยว่าแต่ก่อนร่อนไรจะเคยได้ยินเสียงร้องไห้ครวญครางดังนี้ก็หาไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าจึงร้องถามไปว่าใครมาร้องไห้ครวญครางอยู่ที่นี่แล้วก็เปิดกุดีออกมาดูเพื่อให้รู้แน่ ก็ได้แลเห็นเปรตมีลักษณะการแสนทุเรศปรากฏแก่ครองจากสุก็ถามย้ำซ้ำอีกว่านั่นท่านเป็นใครและเหตุใดจึงมาร้องไห้ควรวญครางอยู่ใกล้กุฏิของเราอยู่อย่างนี้เปรตเพศหญิงเมื่อได้ยินพระอัญญาโกนัญญะภิกษุถามดังนั้นก็หยุดร้องไห้ฉับพลันด้วยความดีอกดีใจแล้วกราบเรียนขึ้นในความมืดแห่งราตรีนั้นว่าข้าแต่ท่านผู้ทรงศีล อันว่าตัวดีชั้นนี้หาใช่คนอื่นไกลที่ใดไม่โดยที่แท้ก็คือนางกรยาณีกุมารีรูปสวยโสภาซึ่งเคยเป็นภรรยาของพระผู้เป็นเจ้านั่นเองเหตุที่มาอุบัติบังเกิดเป็นเปรตแสนธุเลตเช่นนี้ก็คือว่าเมื่อพระผู้เป็นเจ้าออกมาบวชในาศาสนาข้าพระเจ้านี้ถึงแม้จะแสดงความชื่นชมยินดีต่อหน้าคนทั้งหลายแต่ภายในใจนั่นสิเต็มไปด้วยความโทมนัสขัดเคือง คิดน้อยอกน้อยใจอยู่ตลอดเวลาว่าสามีของข้าเป็นคนด้อยปัญญาไม่รู้ซึ้งถึงคุณค่าแห่งความรักที่ภรรยามีต่อตนและเป็นคนเห็นแก่ตัวปรีกมหาความสบายในาศาสนาทอดทิ้งให้ภรรยาว้าเวเอกาอยู่ในโลกคารวาดแต่ลำพังทั้งเป็นคนมีใจดำเหี้มเกลียมนักหนาไม่เห็นอกเห็นใจภรรยาเลยว่าจะเป็นเช่นใดเฝ้านึกน้อยใจอยู่อย่างนี้ จนถึงแก่ชีพีตักใสด้วยอารมณ์ตรอมตรมไม่ผ่องใสจึงได้ไปเกิดในกำเนิดแห่งเปรตมีแต่ความทุกข์ทรมานและอุตสาหเดินโซซังมายังสถานที่อยู่แห่งพระผู้เป็นเจ้าที่เคยเป็นสามีด้วยอนุภาพแห่งใจรักชักพาให้มาในการระบัดนี้อัญญาโกนัญญะภิกษุหนุ่มได้สดับวาจาแห่งนางเปรตกลยานีกุมารีชนี้ ก็มีความสงสารนางที่เคยเป็นภรรยาจับใจปรารถนาที่จะช่วยสงเคราะห์ให้นางพ้นจากความเป็นเปรตจึงบอกให้นางคุกเข่าและกล้มศรีรษะเข้ามาใกล้ๆแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็ยื่นไม้เท้าจรลดที่กลางกระหม่อมแห่งนางเปรตนั้นพร้อมกับกล่าวว่าดูก่อนกระยาณีกูมารีที่เคยเป็นโดมอุปถัมภ์ของอัตมาเอย๋ย ตั้งแต่อัตมาได้บวชเป็นพระภิกษุในศาสนาของพระองค์เจ้ามาเจ้าก็สู้อุตสารนำมาซึ่งอาหารบินทบาทจีวรและสิ่งอื่นอื่นอันควรแก่สมณ บ, บริโภคทูลเนือศรีรษะมาถวายเป็นอันมากทั้งยังได้สมาทานรักษาศีลตามคำแนะนำของอัตมาทุกวันบัดนี้ขอเจ้าจงตั้งใจให้ดีแล้วระลึกถึงผลทานผลศีลที่เจ้าเคยบำเพ็ญมานั่นเถิดอันหนึ่ง บุญกุศลใดที่อาตมาพระัญญากวนทัญญะได้บำเพ็ญมาในพระาศาสนาทั้งหมดอาตมาขออุทิศ ส, ส่วนกุศลให้แก่เจ้าขอให้เจ้าซึ่งเคยเป็นโยมอุปัถาบจงรับและอนุโมทนาส่วนกุศลนั้นในการละบทนี้กรยาณีกุมารีเปรตได้สดับโอวาทและคำอุทิศ ส, ส่วนกุศลในที่เฉพาะหน้าดังนี้ก็มีจิตยินดีรำลึกถึงผลทานศีลที่ตนได้เคยบำเพ็ญมา และยกอัดขึ้นอนุโมทนาส่วนกุศลแห่งพระัญญาโกลทัญญะผู้เคยเป็นสามีสุดที่รักในขณะนั้นก็เกิดเป็นมหากุศลดลบันดาลให้นางจุติจากอัตภาพแห่งเปรตไปอุบัติเกิดเป็นเทพพนารีสถิตเสวยที่พยาสมบัติเป็นสุขอยู่ณดาวดึงสเดวโลกจับพลันทันทีข้าแต่พระองค์ผู้เคยทรงเป็นสวามีโทษผิดแห่งพิมพาข้าพระบาทนี้ หากจากพึงมีในชาตินั้นโดยความสำคัญผิดคิดว่าพระองค์เป็นคนด้อยปัญญาเห็นแต่ความสบายแห่งตนเป็นที่ตั้งทอดทิ้งภรรยาทั้งที่นางยังมีใจรักพักดีออกไปบวชในศาสนาของพระชินสีเจ้าแล้วไซขอองค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถจงทรงพระกรุณาอดโทษให้แก่ข้าพระบาทชื่อว่าพิมพาซึ่งจัถวายบังคมลาเข้าสู่นิพพานในวันนี้เสียเถิดพระเจ้าข่า จันทมาลากุมารีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตชาติล่วงแล้วแต่หนนหลังครั้งศาสนาของพระโสพภิตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นมานพหนุ่มรูปงามนามว่าทุตธมานพฝ่ายว่าพิมพาข้าพระบาทนี้เกิดเป็นบุตรีของชาวชนบทปลายแดนนามว่าจันทมาลากุมารี มีชีวิตเป็นสุขอยู่ตามประษ า, าสาวชาวป่าซึ่งห่างไกลาจากพระมหานครการละวันหนึ่งมีข้าศึกยกจาตรงข้าเสนาโยธามาห้อมล้อมพระมหานครไว้ด้วยกําลังใหญ่เที่ยวไล่ฆ่าฟันผู้คนชาวพระนครเป็นอันมากเจ้าทุตธรรมนบซึ่งเป็นชาวพระนครเห็นว่าเหลือกําลังที่จะสู้ข่าศึกศัตรูได้แล้วจึงรอบหนีออกมาจากเมือง เดินทางมาจนถึงปัจจันตชนบทชายแดนอันเป็นถิ่นกําเนิดของจันทมาลากุมารีด้วยอำนาจแห่งบุพเพสั น, นิวาสคนทั้งสองก็ผูกสมัครรักใคร่เป็นสามีภรรยากันเดิมทีที่หนีออกมาจากพระนคร น, นั้นเจ้าทุตธรมานพตั้งจิตปรารถนาไว้ว่าจากอาศัยหลบหนีอยู่ในชนบทชายแดนเพียงชัว่วคราวเมื่อมีกาลังพลเพียงพอแล้วจะรวบรวมเป็นกองทัพ กลับเข้าไปยังพระนคร อ, อีกแต่เมื่อได้จันทมาลากุมารีเป็นภรรยาก็เกิดความสเสน่หารักใคร่ในานางเป็นอันมากเลิกล้มความคิดที่จะจากไปและมีชีวิตอยู่ในปัจจันตชนบทนั้นจนตราบเท่าถึงวันตายข้าแต่พระองค์ผู้เคยทรงเป็นสวามีโทษผิดแห่งพิมพาข้าพระบาทนี้หากจากพึงมีในชาตินั้นโดยเหตุที่ทาให้พระองค์ต้องหลงไหลอ ย, อยู่ในปัจจันตชนบท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 ครั้งศาสนาพระผอมมชารสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นกุมารภายหลังได้บรรพชาเป็นสมเนตในพระพุทธศาสนานามว่าเจ้านิโกรทะสมเนตฝ่ายว่าพิมพาข้าพระบาทนี้เกิดเป็นกุมารีบุตรีชาวบ้านตระกูลมั่งคั่งแห่งหนึ่งซึ่งเป็นตระกลูลใหญ่สืบเชื้อสายมาหลายชั่วอายุคนโดยมีนามปรากฏว่ามังคลีกุมารี การละวันหนึ่งเป็นยามราตรีเงียบสงัดกำดัดดึกมังคีกุมารีสาวโสภาซึ่งมีอายุได้ 16, ส6บหกพรรษาเจ้าเข้าสู่นิทราหลับไหลแล้วให้บังเกิดนิมิตฝันอันเป็นมงคลว่าตนได้บุตรชายสุดที่รักครั้นตื่นขึ้นมาเวลารุ่งเช้าจึงจัดแจงเข้าตอกดอกไม้เข้าไปสู่สำนักแห่งท่านผู้เป็นนักปราดราชบัณฑิตซึ่งเป็นเนมิตกาจาร์ทานายฝัน แล้วก็เล่านิมิตนั้นให้ท่านฟังส่วนว่าท่านที่เป็นปราดราชบัณฑิตผู้รู้นิมิตชั่วดีเมื่อได้ฟังเจ้ามังคีกุมารีเล่าซึ่งสุบินชนี้จึงทํานายว่าดูก่อนเจ้ามังคีกุมารีอันนิมิตฝันของเจ้านี้ดีนักหนาจะเป็นอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งก็หาไม่ได้ตั้งแต่วันนี้ไปเจ้าจะได้ซึ่งบุตรสุดที่รักสมตามความฝันนั่นแหละ กาละครั้งนั้นเจ้ามังคีกุมารีเมื่อได้ฟังคําทํานายแล้วก็ให้นึกขําขันอยู่แต่ในใจว่าเออตัวเรานี้ก็ยังเป็นสาวโสภาหาสามีบ่มีได้แล้วจะได้บุตรสุดที่รักตามคําทํานายได้อย่างไรคิดไม่เชื่อในคําทํานายของราชบัณฑิตนั้นแล้วก็กราบไหว้ท่านลากลับเดินทางไปบ้านวันนั้นเจ้านิโครทะสา ม, มาเณร ในศาสนาแห่งสมเด็จพระพมัญชลสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปบินทบาทในบ้านแล้วเดินทางจะกลับไปยังวิหารสวนทางกับมังคีสาวน้อยที่ชายป่าแห่งหนึ่งเมื่อประสบพบกันเข้าแล้วทั้งสองต่างก็มีจิตคิดรักใคร่ในการและการนักหนาด้วยอำนาจแห่งบุพเพสนิวาสแต่มิอาจจะประพฤติการอันใดให้เป็นที่เสียหายเพราะเจ้าสามเณร น, นั้น เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งเพศพรหมจันทร์และมั่นในศีลสิกขาบทได้แต่สนธนาปราสายกันไปมาแล้วมังคีกุมารีสาวน้อยเจ้าจึงแกล้งว่าอันตัวเรานี้เป็นผู้ใหญ่แล้วและมีจิตรักใคร่ในตัวพ่อสา ม, มเณรประหนึ่งว่ามารดารักใคร่ในบุตรหรอกมิใช่ว่าเรานี้จะรักใครส่สา ม, มเณรเหมือนหญิงสาวรักชายหนุ่มก็หาไม่ได้ว่าอย่างไรเล่าเจ้าสา ม, มเณร จะยอมให้เราเป็นมารดาหรือไม่จะเป็นไรเล่าเรานี้ก็มีความรักใคร่ในตัวท่านประหนึ่งว่าเป็นมารดาซึ่งให้อาหารบินทบาทเลี้ยงชีพพอกันตายไปวันหนึ่งขอให้ท่านเป็นมารดาของเราเถิดเรานี้จะได้ตั้งใจรักมารดาของเราแต่เพียงผู้เดียวในชาตินี้เจ้านิโคระธาสัมมเมนเนแกล่งตอบไปตามกนแล้วคนทั้งสองก็จำใจต้องจากกัน ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทั้งเจ้ามังคีสาวน้อยและเจ้านิโครทะสัมมเนนในศาสนาแห่งพระพุทธองค์เจ้าต่างก็เฝ้ารำพึงขนึงหาถึงกันและกันด้วยความทุกข์ทรมานใจในไม่ช้าสาวโสภามังคีกูมารีก็มีอาการเจ็บป่วยด้วยความทรมานใจนั้นอาการแห่งโรคกำเริบขึ้นเรื่อยๆแล้วนางผู้น่าสงสารก็สลบหลับนิ่งนอนอยู่บนเตียงที่ตาย เห็นนิมิตร้ายเป็นไฟนรกรุ่งโรดขึ้นมาแล้วลามเลียมาเรื่อยๆเกือบจะเผากายแห่งนางด้วยอำนาจแห่งอากุโลรกรรมที่ทำไว้แต่ชาติก่อนๆตามมาทันเพื่อจะบันดาลให้นางไปบังเกิดในนรกอันเป็นอบายภูมิแต่ทว่าด้วยเสนหานุภาพอันฝังลึกในดวงจิตที่เจ้านึกคิดถึงนิโคระทะสัมเนนอยู่ตลอดเวลาจึงในขณะที่เห็นเปลวไฟนรกนิมิตร้าย ซึ่งมีสีเหลืองคล้ายสีชายจีวรทรงของสามเณรที่รักป่านดวงใจเจ้าจึงยึดเอาชายจีวร น, นั้นเป็นนิมิตครั้งสุดท้ายแล้วก็หลับตาตายอย่างสุขใจจุติไปอุบัติเกิดเป็นเทพพานารีงามโสภาสเสวยทิพยสมบัติอยู่นสาสงสวรร์ชั้นดาวดึงข้าแต่พระองค์ผู้เคยทรงเป็นสวามีโทษผิดแห่งพิมพาข้าพระบาทนี้หากจากพึงมีในชาตินั้น โดยแกล้งกล่าวเป็นคนอุบายตามวิสัยหญิงสาวว่ารักใคร่พระองค์ประหนึ่งมารดารักใคร่บุตรซึ่งเป็นการล่วงเกินพระองค์อยู่นักหนาแล้วไซ้ขอองค์สมเด็จพระจอมไตรโล ก, กนาถจงทรงพระกรุณาอดโทษให้แก่ข้าพระบาทชื่อว่าพิมพาซึ่งจกถวายบังคมลาเข้าสู่นิพพานในวันนี้เสียเถิดพระเจ้าข่ามงคลเทวี ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตชาติล่วงแล้วแต่หนหลังครั้งาศาสนาพระธรรมปาลสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์สเสวยพระชาติเป็นพระมหากษัตริย์ปกครองแผ่นดินณคิริบูรณะมห ah านาครทรงพระนามว่าสมเด็จพระอภินันทรัชราชาธิปดีฝ่ายว่าพิมพาฆ่าพระบาทนี้เกิดเป็นสตรีแล้วต่อมา ได้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าอภินันทรัตน์นั้นวีนามว่านางพญามงคลละเทวีการละวันหนึ่งสมเด็จพระจินสีพุทธธรรมปาะลสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาสเสด็จพระพุทธดำเนินมาโปรดเวนัยย์จนถึงเมืองคิริบูณะมหานครครั้นทรงพักผ่อนพอสมควรแล้วก็ทรงแสดงพระสัทธรรมเทศนาอันวิจิตพิสดารยิ่งนักหนา สมเด็จพระอภินันทรัชราชธิบดีทรงสดับแล้วก็ทรงพระสมัสนินดีในรถพระสัทธรรมเทศนานั้นสุดประมาณจุงพระกรรพระอ克拉เมเหสีมงคลเทวีไปหมอบเฝ้าอยู่เบื้องพระพักสมเด็จพระชินท์สีเจ้าแล้วก็ทรงบริจาคพระอครเมเหสีนั้นให้เป็นทยาทานเครื่องสักการะบูชาพระสัทธรรมเทศนาแล้วทรงออกพระวาจาตั้งความปรารถนาว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกข้าพระบาทขอยกพระอัครมเหสีที่รักปานดวงใจให้เป็นทานในการบัดนี้อันเป็นทานบารมีที่บุคคลทำได้โดยยากด้วยอนุภาพแห่งทานบารมีที่บุคคลทำได้โดยยากนี้ขอให้ข้าพระบาทได้มีโอกาสตรัสเป็นพระพุทธเจ้าสักพระองค์หนึ่งในอนาคตการเบื้องห น, น้าน้นด้วยเถิด อ, อันหนึ่ง เมื่อข้าพระบาทจะเกิดอีกในชาติต่อไปแล้วไซขอให้นางพระยามงคลเทวีที่เป็นอัครมเหสีนี้จงมีโอกาสเกิดเป็นภรยาของข้าพระบาทด้วยเถิดพระเจ้าข่าสมเด็จพระเจ้าอภินันทรัชราชาธิปดีทรงกระทาพระวจีปณิธานชนี้แล้วก็ทรงมีพระทัยผ่องแผ้วสมนัตศรัทธาใครจะได้เป็นญาติในพระบวรพุทธศาสนา จึงทรงสละราชสมบัติเป็นการชั่วคราวแล้วเข้าไปขอบรนประชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงเพศเป็นพระภิกษุแล้วพระนางก็ทรงเลื่อมใสศรัทธาอุตสาหะนำเอาจตุปัจใจคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬาณะเพสัตมาถวายแก่พระภิกษุบุรณสวามีทุกวันมิได้ขาดเลย ในขณะที่สมเด็จพระเจ้าอาภินันทรัตน์ทรงสละราชสมบัติพ น, นุษเป็นพระภิกษุทรงศีขาอยู่นั้นการละวันหนึ่งเกิดมีเหตุอาเพศอันไม่ควรจะเป็นกล่าวคือได้มีนางทาสีของครหาบดีคนหนึ่งซึ่งมีความผิดเกรงว่านายจะฆ่าตีก็หลบหนีมาในยามราตรีแล้วแอบไปซ่อนตัวอยู่ภายใต้กุฏิที่พระภิกษุราชาธิปดีประทับอยู่นั้น ครั้นถึงเวลาเช้าตรู่ได้เวลาที่เจ้ามงค ล, ละเทวีจะออกไปสู่อารามแล้วนางแก้วซึ่งมีพระไทยห่วงใยในพระภิกษุบุราณราชทวามีก็ไม่ได้รอช้านำเอาพัตาหารซึ่งเตรียมไว้เสด็จออกไปสู่อารามก็ได้ทอดทัศนาเห็นนางทาสีเจ้ากรรมนอนหลับเพลินอยู่ใต้กุฏินางพระยาก็ให้บังเกิดความหึงหวงและโกรธเคืองพระชีต้น คือพระภิกษุราชาธิปดีว่าคงจะทรงล่วงสิกขาบทรอบรักสมัครสังวาสกับนางหญิงที่นอนอยู่ใต้ถุนกุฏินี้ในยามราตรีที่ปลอดผู้คนเป็นแม่นมั่นเจ้าเกิดความสำคัญผิดคิดหวาดระแวงไปตามวิสัยสตรีที่รักสามีชนี้แล้วก็บังเกิดความโกรธนักหนาโยนทิ้งพัฒนหารที่นามาให้ตกลงกับพื้นพระสุธาหน้ากุฏิแล้วก็ขึ้นไปชั้นบน เห็นพระชีต้นเธอกำลังนั่งสมาธิอยู่ตามสั ม, มณะวิสัยก็เข้าใจว่าเป็นการกระทาเพื่อเป็นเล่ห์หลอกลวงตนนางพระยาจึงตรงเข้าไปดึงเอาจีวร อ, ออกจากวรกายแห่งพระชีต้นแล้วก็ฉีกสลัดให้ขาดจนหาชิ้นดีไม่ได้แม้พระภิกษุอภินันทรัตโบราณนราชัตวามีซึ่งไม่ทราบเรื่องอันใดจะได้เฝ้าไต่ถามถึงเหตุว่า จะไหนานางพระยาจึงมีอาการดุร้ายเช่นนี้เจ้ามงคลเทวีก็หาตอบไม่เมื่อฉีกจีวรและร้องไห้จนหนำใจแล้วก็กลับไปสู่พระบรมมหาราชวังด้วยความเจ็บแค้นในพระหฤทยัยไม่เสวยพระกายอาหารแต่อย่างใดเลยในไม่ช้านางพระยามงคลเทวีก็ถึงชีพิตักษ์ไสด้วยเหตุที่ขาดอาหารนั้นแล้วพลันไปอุบัติเกิดในนิรยะภูมิ พระเหตุที่เจ้าทำการกิริยาไปในขณะที่จิตกรอบด้วยโทสัเป็นสัตว์นรกร่างร้ายได้เสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสอยู่ในนิระยะภูมินั้นสิ้นการช้านานข้าแต่พระองค์ผู้เคยทรงเป็นสวามีโทษผิดแห่งพิมพาข้าพระบาทนี้หากจากพึงมีในชาตินั้นโดยเกิดความสำคัญผิดแล้วยื้ยุดดึงจีวร อ, ออกจากพระวรกาย แฉกทิ้งให้ย่อยยับเสียหายแล้วไซขอองค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถจงทรงพระกรุณาอดโทษให้แก่ข้าพระบาทชื่อว่าพิมพาซึ่งจะขอกราบบังคมลาเข้าสู่นิพพานในวันนี้เสียเถิดพระเจ้าข้านางพญาหงทองข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตชาติล่วงแล้วแต่หนหลังครั้งาศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นพระยาหงทองฝ่ายว่าพิมพาฆ่าพระบาทนี้ก็ได้เกิดเป็นนางหงซึ่งเป็นภรรยาของพระยาหงทองนั้นเฝ้าผูกพันรักใคร่กันอยู่พร้อมกับหมู่หงที่เป็นบริวารในป่าใหญ่แห่งหนึ่งสมัยนั้นสมเด็จพระราชินีเขมเทวีเจ้าที่เป็นนางกษัตริย์ในมหานครแห่งหนึ่งทรงมีพระอัฏฐยาศัยใคร่เสด็จประพาสป่าอยู่เนือง ได้ทรงพบสระน้ำใหญ่ชายป่าเข้าพระนางเจ้าจึงรับสั่งให้ปลูกบุปผาชาติบัวหลวงไว้ในสระนั้นจนออกดอกใบวิจิตรจนางามตระการตาและดูน่ารื่นรมแห่งใจแล้วทรงตั้งในพรานผู้หนึ่งไว้ให้มีหน้าที่บำรุงรักษาสระคอยระวังซึ่งหมูสิงสัตว์นกเนื้อทั้งหลายมิให้มากล่อมกลายกระทำอันตรายสระวิเศษนั้นได้เป็นอันขาดเจ้าพรานไพร เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่เช่นนั้นก็ไม่ได้มีความประมาทตั้งใจธนุบำรุงและระวังรักษาสะด้วยดีครั้นเห็นเหล่าปาักสีชาติทั้งหลายพากันร่อนลงเล่นน้ำในสะบ่อยๆแม้จะตะโกนไล่อย่างไรก็ไม่หมดสิ้นไปสักทีเจ็บใจขึ้นมาจึงคิดกระทำบ่วงดักเรียรายไว้ในสะนั้นเป็นอันมากฝ่ายว่าพญาหงทองซึ่งอาศัยอยู่ในป่าใหญ่ ได้ยินกิติศัพท์แห่งสะงามวิจิตรการตาที่เหล่านกทั้งหลายพากันเล่าบอกสืบๆมาว่าสะบอกกรณีชายป่าของนางพระยาเขมะเทวีเป็นสะที่งามตระการตาน่ารื่นรมแห่งใจและน่าลงเล่นให้เป็นที่สนุกสบายนักหนาก็พานางพระยาหงทองที่เป็นภรยากับฝูงหงบริวารเป็นอันมากออกจากที่อยู่อาศัย ไหว้ฟ้าบินมาด้วยนภาอากาศเป็นหมู่ใหญ่ครั้นถึงแล้วพระญาหงทองจึงบินลงสู่สระนั้นก่อนก็ต้องบ่วงที่ในพรานดักไว้ในทันใดเมื่อรู้ว่าตนเคาะร้ายต้อง่วงหนีไปไม่ได้แล้วด้วยความการุณาและเป็นห่วงนางพญาหงทองภรรยาและบรรดาบริวารแห่งตนพระญาหงทองจึงร้องบอกให้หงทั้งหลายรีบหนีไปโดยเร็วเ พ, พราะไพรปากฏขึ้นแล้ว อย่ารอช้า